อาจารย์ครับก็วันนี้เป็นวันที่ห้าธันวาครับเป็นวันพ่อด้วยครับแล้วก็พระอาจารย์ก็ถือเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของผมแล้วก็ของเพื่อนๆที่อยู่ในนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาพวกเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอพระอาจารย์รักษาธาตุขันให้แข็งแกร่งนะครับเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนพวกเราพาผลทุกไปด้วยกันนะครับอาจารย์ครับก็พยายามจะทำให้ดีที่สุด ขอบครับอาจารย์ครับแล้วก็วันนี้ครับผมอาจารย์ครับเอ่อก็ต่อจากไปสิกขาครั้งก่อนครับผมก็คือเราพูดถึงเรื่องอศีลไปแล้วเรื่องสมาธิไปแล้วนะครับวันนี้ก็นเลยอยากกลับยนถามพระอาจารย์ในเรื่องของปัญญาต่อนะครับอาจารย์ครับขอบพระเมตตาครับปัญญาก็คือความรู้ความรู้นี้เกิดขึ้นได้สาม วิธีเดีวยวกันตามหลักของพระพุทธศาสนาหนึ่งคือความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นพวกเราตอนนี้กำลังาได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าเราก็จะได้เกิดความรู้รเรื่องไตรสิกขา รู้เรื่องศีเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาที่จะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการดับความทุกมต่างๆเมื่อเรารู้แล้วเราก็นำเอาไปใช้ใเกิดประโยชน์เริ่งต้นก็เราต้องหมั่นเตือนตัวเราเองพิจารณาอยู่นย ง, นงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรา พิจารณาเช่นให้พิจารณาร่างกายของเราว่าไม่เที่ยมมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไม่สวยไม่งามน่อาการสากสิบสองถ้ต่อไปก็จะต้องกลายเป็นซากศพไปนี่คือปัญญาขั้นที่สองหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังแล้วถ้าเราไม่นำไปต่อยอดเราก็จะลืม ฟังหนเดียวป้าเดี๋ยวเราก็ไปทําเรื่องอย่างอื่นคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังก็จะถูกเรื่องใหม่ๆเข้ามากรบในใจเราทําให้ธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังก็จางหายไปเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเราพูดเรื่องอะไรบ้างตอนนี้จําได้บ้างหรือเป่าใช่ไหมอันนี้ถ้าไม่เอามาคิดก็ลืมแล้วว่าสมาธิมีกี่ชนิดนะ และการที่จะเข้าสมาธิได้นั้นต้องทําอย่างไรอันนี้ถ้าเราไม่เอามาพิจารณาอยู่่เนี่ยเราก็จะเริ่มเมื่จะรลื่อมเน่ยเราก็จะไม่ได้ปฏิบัติทําสมาธิเนีราต้องมาหลังจากที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังแนละ้วเราก็นํามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้มันฝังอยู่ในใจเราขั้นที่สองเนี่ยเราเรียกว่าอจินตามัยปัญญา ขันแร ก, กเราเรยกว่าสุตตมายาปัญญาสุตต์แปลก็คือพระสูตรที่พระพุทเจ้าได้ทรงแสดงทําไว้เราเรียกว่าพระสูตรการศึกษาพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าสุตตมายาปัญญาแล้อเราได้ศึกษาพระสูตรแล้วเราก็เอามาพิจารณาอยู่เนืองๆท่านพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาว่าร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้ว ยอมแก่ย่อมเจ็บย่อมตายเป็นธรรมดาร่วมพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เราต้องมาบ่นพิพจารณาอยู่เนืองๆเพื่อให้มันฝัองอยู่ในใจเราไม่ให้เราลืมเป็นส่วนใหญ่เรามักจะลืมกันเพราะว่าเรามักจะไปคิดเรื่องอื่นแทนเรื่องอยากให้ร่างกายนี้แข็งแรงอยากใช้ร่างกายนี้ปราศ จ, จาก ร, รูปภายใข้เจ็ อยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆไม่ตายอันนี้เป็นความคิดของกิเลสของอวิชาโมหะที่พยายามให้เราไปคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วทำให้เราทุกเวลาที่มันไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกข์ว่าความปรารถนาของผู้เรลานี้ต้องการให้ใจมันไม่เจ็บไาย ต้องการให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเราเหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะไม่ลืมแล้วเราก็จะตัดความปรารถนาที่อยากจะให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไปตอนเรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ไดาตามหลักความเป็นจริงไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องนำามา พิจารณาอยู่หนึ่งเดีย ว, ยวแต่การจะพิจารณาอยู่หนึ่งเดียวได้นี่เราต้องอาศัยจิตใจที่มีความตั้งมั่นอยู่ในความสงบในอุบเบกขาเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะพิจารณาได้เดียวเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็ถูกปเปลี่นดึงให้ไปคิดเรื่องอื่นแทนคิดตรงกันข้ามกับความเป็นจริง เราจึงต้องมาปฏิบัติสมาธิกันเพื่อให้จิตเข้าสู่อุเบกขาให้ได้เข้าสู่ความสงบนิ่งเป็นอุเบกขาเพราะว่าจิตเป็นอุเบกขานี้จิตจะมีกําลังเหนือกําลังของกิเลสตัณหาที่จะคอยฉุดล่ากให้จิตคิดไปนอกมู่นอกทางของความเป็นจริงถ้าเรามีอุเบกขาแนละ้ว จิตตาไมยะปัญญาของเรานี้ก็จะเป็นกลายเป็นภาวนาไมยะปัญญาคือปัญญาขั้นที่สามคือเราจะพิจารณาอยู่เรื่อยๆแทบทุกลมหายใจเขา้าออกดังที่พทธเจ้าเคยสอนพระอานนท์ไว้ว่าอานนท์ทบถามพระอนนท์ว่าอนนท์วันหนึ่งเธอรลึกถึงความตายสักกี่รอบกี่ครั้งนะอนนท์ก็บอกว่าสี่ห้าครั้งด้วยกัน เช้ากลางวันเยน็อนพอนอนเป็นต้นพระพุทธเจ้าบอกการพิจารณาแบบนี้ยังไม่พอเพียงยังไม่ทันกับกิเลสที่จะมาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจด้วยความอยากไม่ตายนี่เธอต้องหมั่นพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้ว่าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกถ้าไม่หายใจเข้าก็ตาย คือให้มีความตายนี้อยู่ในจิตอยู่ทุกขณะเลยว่าหนีความตายไปไม่พ้นร่วมเกินความตายไปไม่ได้เกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้การที่จะพิจารณาอย่างต่อเ น, นื่องอย่างนี้ได้จิตต้องมีสมาธิในระดับอุเบกขาในระดับถ้าเป็นฌานก็ระดับฌานที่ขั้นที่สี่ ฌานสี่นี้จิตจะรวมเข้าสู่อุเบกขาแล้วพอออกจากสมาธิมาก็จะมีอุเบกขาคอยสนับสนุนการพิจารณาให้มีปัญญาอยู่ในใจยอย่างต่อเ น, นื่องอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็นำไปสู่ขั้นที่3ถ้าเรามีความรู้อยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายนี้จะต้องตายล่วงพ้นไปไม่ได้ตลอดเวลา ถ้าเราจะเป็นผืนความจริงได้ยางไรเราจะไปอยากไม่ตายได้อย่างไรเราก็จะต้องยอมรับความจริงแล้วพอเราอยอมรับความจริงความอยากไม่ตายมันก็จะหมดกำลังไปเราก็จะไม่ทุกข์กับความตายต่อไป yeah. เพราะว่าเราอยอมรับความตายเพราะเราไม่มีความอยากไม่ตายเพราะความอยากไม่ตายนี้ถูกปัญญา ระดับขั้นที่สามคือภาวนามยปัญญานี้เป็นผู้ที่จะคอยสกัดกั้นไม่ให้เกิดขึ้นมานั่นเองพอเราสกัดกั้นความอยากไม่ตายซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจได้ความทุกข์ใจเกี่ยวกับความตายก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปนี่คือขั้นที่สาม ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี่ยังไม่มีกําลังพอที่จะ ส, สกัดกั้นความอยากให้จิตยอมรับความจริงได้เพราะว่าจิตยังไม่สามารถคิดถึงความตายได้อย่างทุกลมหายใจเขา้าออกแต่พอมาฝึกสมาธิมาทําใจให้สงบเป็นอุเบกขาได้อุเบกขานี่ก็จะเป็นตัว ที่จะปลักดันให้เจตเนี่สามารถพิจารณาความตายได้ตลอดเวลาถ้าใครพิจารณาความตายได้ตลอดเวลารู้อยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายนี้ต้องตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งถ้ารู้อยู่ตลอดเวลาก า, การจะไปปฏิเสธการจะไปปฏิเสธความจริงการจะไปอยากให้มันไม่ตายนี้มันรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ มันก็จะระงับความอยากไม่ตายได้พอระงับความอยากไม่ตายแล้ความทุกข์เกี่ยวกับความตายก็จะไม่เกิดขึ้นอีนอกต่อไปอนี้เรียกว่าปัญญาขั้นที่สามเรียว่าภาวนะมามยปัญญาต้องพิจารณาตายลักอย่างต่อเนื่องตายรักเราต้องพิจารณากับหลายอย่างด้วยกันกับร่างกายกับเวทนากับจิต ที่พระเช้าทงสอนในสติปัฏฐานสี่เนี่ยจะเข้าถึงระดับการภาวนาะไม่ยาปัญญาดได้ก็ต้องผ่านขั้นสมาธิก่อนสามารถเข้าสมาธิเพื่อเติมอุเบกขาได้ตลอดเวลาพอหลังจากที่ออกจากสมาธิมาก็จะมีอยู่เบกขาตามออกมาอยู่ช่วระยะหนึ่งหลังจากนํามาไปพิจารณารมอยู่สักพักแล้วอุเบกขาก็จะอ่อนกําลังลง แล้วก็จะไม่สามารถพิจารณาต่อได้เพราะเมื่อเมือ่อโเบคาออกกำลังลงความอยากของกิเลส ก, ก็จะเพิขึ้นมากิเลส ก, ก็จะดึงให้ไปคิดทางตรงข้าม ข, ของความเป็นจริงเมื่อมันไม่ไปคิดถึงความอยากอ ย, กอยู่แล้วไม่อยากตายขึ้นมาก็รู้ว่ากำลังของของโอเบคาหมดก็ต้องพักการพิจารณาแล้วกลับเข้าไปสู่สมาธิใหม่ เพื่อไปเติมเบกขาใหม่เพื่อจะได้เวลาออกมาจะได้ล้เลื่อนถึงความตายได้อย่างต่อเนื่องต่อไปนี่คือพอถึงขั้นปัญญาจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องทําสลับกับสมาธิถอมมาพิจารณาหรือเรื่อยเตือนใจอยู่เรื่อยว่ า, ต, ต, าต้องตายต้องตายต้องตายพอมันหยุดไม่ยามคิดถึงความตายมันอยากจะคิดถึงเรื่องอยู่เรื่องทำํทำนู่นทํานี่ ก็จะต้องหยุดการพิจารณาแล้วก็กลับไปพักในสมาธิไปเติมโเบคาใหมเพื่อที่เวลาออกมาจากสมาธิแล้วก็จะได้พิจารณาความตายต่อไปได้จนกว่ามันจะมีฝังอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วก็ปล่อยวางความอยากไม่ตายได้พอปล่อยวางได้แล้วทีนี้ก็ไม่ต้องพิจารณาก็ได้ พ่าใจไม่ไม่มีความอยากจะอยู่ต่อไปไม่ทุกกับความตายต่อไปพอเรารู้ว่าเราไม่ทุกกับความตายแนละ้วการพิจารณาก็มาถึงสิ้นสุดลงคืองารที่จะต้องพิจารณามันก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณาแล้วเพราะได้ได้ทำข้อสอบได้เสร็จแล้ว การดูหนังสือก็ดูเพื่อเตรียมตรวจสอบพอสอบเสร็จแล้วก็เริ่มดูหนังสือได้นนในการพิจารณาตรายักษ์ก็หยุดดิลงเมื่อจิตปล่อยวางได้จิตไม่ทุกข์กับสิ่งที่ตนในพิจารณาร่างกายเวทนาและจิตตามลำดับต่อไปต้องมีอุเบกขากับการพิจารณามาสนับสนุนกัน ถ้าพิจารณาอย่างเดียวจะไม่มีโ ย, ยูเบิกขานี้พิจารณาได้ไม่นานเดียว่าถูกดึงไปคิดเรื่องอื่นแทนอย่างนี้ทรอจะเข้าใจไหมเขาจะเข้าใจครับอาจารย์ครับผมมากเรียนถามพอาจารย์ต่อนะครับอาจารย์อย่างนี้ถ้าเป็นถ้าบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์สูงสุดแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ต้องใช้ปัญญาในการมาคบคิดอีกแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ ก็เหมือนหมอเรียนจบแล้วหมอต้องไปเปิดตำราดูเวลาสอบสอบผ่านเวลาแตละวิชาก็ถือว่าเรียนรู้วิชานะนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเปิดโดยนะตำราอันนี้ก็เหมือนกันเพราะปล่อยวางทุกอย่างได้หมดแล้วปล่อยวางกายเวทนาจิตได้จิตดุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์ต่างๆที่เคยมีในจิตได้หายไปหมดแล้วเพราะความอยากต่างๆนี่ถูกปัญญา ยุติลงหยุดปัญญาหยุดความอยากต่างๆหมดคือการมาตฐนหาภพราวตัานหาแล้วิภาว่าตนหาหมดไปจากจิตจากใจแล้วก็ไม่รู้จะไปพิจารณาอะไรถ้าเปรียบเทียบการพิจารณาเป็นเหมือนกับการรับประทานยาเพื่อเพื่อรักษาร่างกายโรคที่ยาเข้าไปรักษานีหายหมดแล้วก็ไม่รู้จะกินยาต่อไปทำไม กินมันก็ไม่ได้ทําให้ร่างกายมันดีขึ้นนู่นเร็วลงใดอย่างไรจิตของผู้ที่หลุดพอนจากความทุกข์แล้วจะพิจารณายอย่างไงมันก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปท่านถึงมีคําพูดว่าบุสิตังบ ร, รมจริย์นะภารกิจของบรมัญจริย์ได้สิ้นสุดลงแล้วนับตั้งแต่ความทุกข์ทั้งหมดถูกทำล า, านหมดปจากจิตจากใจแล้วจิตที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีแล้ว งานที่ต้องทำมากไปกว่า น, นี้ไม่มีแล้วยกเว้นงานอดิเลกคืองานดูแลธาตุขันโดยงานแสดงธรรมอันนี้ถือว่าเป็นงานอดิเลกถ้าที่เกียรติดูแลร่างกายก็ปล่อยให้มันตายไปก็ได้มันกินไม่อะไรมันเดี๋ยวมันก็หมดแรงมันก็ตายของมันไปแต่ถ้ากินดูแลมันก็ยังอยู่ต่อไปแนละอาจจะทําประโยชน์ใช่กับผู้อื่นได้ เอาธรรมะมาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปพระพุทธเจ้าพระลานทั้งหลายหลังจากที่ท่านเสร็จกิจของท่านแล้วท่านก็ทํากิจให้แก่ผู้อื่นต่อไปพระพุทธเจ้าจึงส่งสอนในวาลาสุดท้ายก่อนที่จะจากไปว่าสังขารทั้งหลายเมื่อของไม่เที่ยง ม, มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจงพยชน์จงยังประโยชน์ชมตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด นะก็คือให้เราปฏิบัติให้เราหลุดพ้นก่อนประโยชน์ตอนก่อนเมื่ประโยชน์ตนอ น, น, ตนได้ได้ได้แล้วทีนี้ก็ไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปสอนให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเหมือนกับตนที่ได้หลุดพ้นมา น, นี่ก็คือกิจของพระพุทธเจ้าและปางทุกสะทุกพระองค์แต่การสั่งสอนของแต่ละองค์นี่ก็อาจจะมีสอนมากสอนน้อย กึน่กับความสามารถในการสั่งสอนซึ่งไม่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่เท่ากันไม่เหมือนกันการสั่งสอนคนอื่นนี้ยากกว่าการสั่งสอนตัวเองสั่งสอนตัวเองให้บรรลุได้แต่เวลาไปสั่งสอนคนอื่นนี่บางทีพูดแบบสั้นๆเขาฟังไม่เข้าใจต้องมีอุบายหาเครื่องเปรียบเทียบมามา มาแสดงเพื่ให้คนฟังเข้า อ, อกเข้าใจขึ้นมางั้นผู้ใดที่มีความสามารถที่จะยกตัวอย่างขึ้นมาเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้ผู้ฟังเข้าใจได้ก็จะเป็นคนที่สอนคนได้มากคนที่ไม่สามารถที่ยกตัวอย่างต่างๆขึ้นมาสอนก็นจะสอนได้น้อยเพราะคนฟังแล้วไม่เข้าใจ คูบาอาจารย์ที่เรารู้จักกันจึงถึงแม้ว่าท่านจะบรรลุ ก, กันหมดแล้วแต่ความสามารถในการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะของแต่ละ อ, องค์นี้มีไม่เท่ากันอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละ อ, องค์ในภาษาพวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางองค์ก็เก่งทางด้านสั่งสอนบางองค์ก็เก่งทางด้านอิทธิฤทธิปาฏิหารเนี่ย เช่นพระมรคลานะก็เก่งทางด้านอิทธิพลปฏิหารมากกว่าการสั่งสอนภาษาลิบุตรนี่เก่งทางด้านสั่งสอนมากกว่าทางอิทธิพปฏิหารอันนี้เป็นเรื่องนิสัยของแต่ละคนบางคนสอนเก่ ง, บา ง, กงบางคนสอนไม่เก่งคุณบอกว่าอยา่าลืเวลาเรียนหนังสือกับครูบาอาจารย์ต่างๆบางัางท่านบางท่านสอนฟังแล้วสนน่าสนใจอยากจะไปฟัง ท่านฟังแล้วไม่อยากจะได้ฟังฟังแล้วไม่เคยรู้เรื่องเพราะท่านสอนตรงตาําราไม่มีการยกตัวอย่างไม่มีการแสดงอะไรให้ให้เห็นแจ้งชัดขึ้นมาทําแล้วก็ต้องไปคิดไปคน้นเอาเองครับอาจันย์ครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอถามคำถามตัวเองต่อไปอีกนิดนึงครับเพราะว่าตอนที่เพื่อนๆถามเข้ามาน้อยครับอาจารย์ครับเพราะว่ามาถัดทอดไปไม่ครบช่องทางนะครับ เรานี่มีความสงสัยอยู่ครับอาจารย์ครับปัญญาขั้นที่หนึ่งปัญญาขั้นที่สองแลขั้นที่สามเนี่ยครับในการที่จะบรรลุธรรมเนี่ยปัญญาสุตรามายปัญญากับจินตามายาปัญญานี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับมันไม่ต่อเนื่องหนึ่งแล้วสองมันไม่มีกำลังมันฟังฟัาเพิถ้าถ้าขั้นที่หนึ่งฟังเพิ่มเดียวเดียวเดี๋ยวก็ลืมแลครับความตาเนี่ยเรารู้กันแต่มันไม่ได้อยู่ในใกล้ชิดในใจเรา มันไม่รู้หายไปไหนพอเราคิดจะสร้างนู่นสร้างนี่ทำนู่นทำนี่เราก็ลืมความตายกันแะพวที่เราจะสร้างครอบครัวอยากจะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี่ก็แสดงว่าเราลืมความตายกันแล้วถ้าเราไม่ลืมความตายเราจะสร้างไปทําไมจะไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของให้มันเหนื่อยยากไปทําไมเดี๋ยวก็ตายแล้วหรือแม้ว่าจะ จะจะได้ยินได้ฟังแล้วมาัาพิจารนาก็จินตาก็ไม่ต่อเนื่อครับคิดได้เป็นภาพพักแล้วบางทีลืมลืมไปเลยจนกว่าอจจะไปมีได้ข่าวค่าวของเพื่อนตายนี่ถึงจะมันนึกถึงความตายขึ้นมาสักครั้งแต่ถ้าไปฝึกสมาธิมีอุเบกขาแนละ้วทีนี้สามารถสั่งให้มันคิดถึงความตายได้อย่างต่อเนื่องตามกําลังของอุเบกขาที่เรามี อันนี้คือขั้นที่สามต้องมีสมาธิถึงจะสามารถพิจารณาความจริงได้อย่างต่อเนื่องแบบที่พระเจ้าสอนพระอนุอให้พิจารณาความตายทําไม่เชนั้นก็จะพิจารณาแบบวันละสามสี่ครั้งสามสี่รอบเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเป็นต้นอย่างนี้เหมือนกับกินยาตามหมอสักพระเจ้ากินยาให้นี่ไม่พอต้องกินทุกลมหายใจเข้าออกลงนี้ถึงจะหายได้ โลกของความกลัวตายนี้ถึงจะหายได้อันนี้จะทำได้ก็ต้องมีอมเบขาต้องมีสมาธิจิตตั้งมั่นเพรจิตตั้งมั่นแล้วกิเลสก็ไม่สามารถลากให้ไปคิดเรื่องการสะสมเรื่องการสร้างทรัพย์สมบัติาะลามยศสารเสสนัยต่างๆได้พอไม่รู้จะสร้างไปทําไมเงินก็ตายกันลนะเงินที่เราทำกันทั้งหมดนี่ทําไปทำไม ดูไม่ดูตัวอย่างกรุงสุขโขทัยกรุงอยุธ ย, ยาอมบ้าสร้างกันใหญ่โตมาโอลานั้นในที่สุดเป็นไงตายหมดใช่ไหมทั้งกรุงทั้งคนสร้างนกลายเป็นสร้างภาระผามหายไปไหนหมดแล้วถ้าได้ไปอยู่อะไรจากการก่อสร้างเหล่านี้จิตดวงวิญญาณก็ยังเวียนว่ายตายเกิดเหมืนอนเดิมกลมาเกิดกลับมาสร้างใหม่กลรมาสร้างกรุงเทพนใหม่หลังจากสร้างกรุงสุขโขทยัยก็กลับมาเกิดสร้างกรุงอยุธยา สรรุอยุธยาเสร็จตายมันก็กลับมาสร้างกรุงเทพเดี๋ยวก็ตายไปเดี๋ยวก็กลับไปสร้างกรุงใหม่ต่อไปไม่มีวันเส้นสุดนะับพราะลืมความตายไปแสดงว่าพระโสดาบันตั้งตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี่ทุก ทุกองค์นี้ได้สมาธิได้อุเบกขาแบงทุกองค์เลยใช่ไหมได้ก่อ น, ก, อนก่อนที่จะได้ม ร, รุษยธรรมนี้ต้องมีสมาธิก่อนต้องมีอุเบกขาก่อนเป็นเครื่องสนับสนุนในการเจริญปัญญาถึงสามารถเจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่องครับผ ม, ผมขอถามคำถามจากเพื่อนๆเท่าที่มีนะครับอาจารย์ครับอ่าคุณเดดไทม์เทเบเลอร์ครับ กรากรบธรรมสการพระอาจารย์ครับขอโอกาสปฏิจจสมุปบาททั้งสิบสองตลอดสายควรพิจารณาเป็นไตลักษ์ทั้งสิ้นใช่ไหมครับกราบขอบพระคุณครับไม่ใช่หรอกปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นเหมือนเหมือนแผนผังของการทํางานของกิเลสนำต้นที่เอาวิชาอาวิชาคือกิเลสพอใจเรา ม, มีกิเลสปับ๊บกิเลสมันก็จะคิดว่าพระต้องไปหาความสุข จากภายนอกเพราะกิเลสมันไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ภายในใจนี่เอกิเลสที่มีในใจมันแทนที่จะหาความสุขภายในใจจากการทําสมาธิมันไม่ทำํำมันไปคิดว่าความสุขอยู่ที่ราบยศสารเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอวิชาาวชาเลยสั่งให้สังขารความคิดถูกแต่งว่าไปหาไปเที่ยวกันดีกว่าใช่ไหม อยู่บ้านแล้วมันไม่มีความสุขก็ออกไปข้างนอกมานไปเที่ยวกันนี่สังขารความคิดปูแต่งคิดเพราะอาวิชชาเป็นผู้บอกให้คิดว่าอยู่บ้านอยู่เฉยๆมันไม่มีความสุขแทนที่จะบอกให้นั่งสมาธิสิไม่ต้องไปเที่ยวข้างนอกให้เสียเวลามันไม่มีความรู้วันนี้มันไม่มีธรรมะปัจจยาสังขารมันก็เลยมีอวิชชาปัจจยาสังขาร อวิชามันก็รู้ว่ามันเพียงเดินตะรู้แต่ความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันก็เลยสั่งให้สังขารคิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปเที่ยวกันการจะไปเที่ยวไปรับรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็ต้องมีวิญญาณไปเกาบที่ตาหูจมูนกนิ้นกายพอสังขารคิดให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสวิญญาณก็ทาหน้าที่ตาวิญญาณก็ไปเกาะที่ตาหูจมูนกนิ้นกาย เพื่อที่จะได้รับรูปสีกลิจรสที่ตาหูจมูก น, นี่วกายไปรับมาไปสัมผัสมาแล้วก็เกิดการสัมผัสรูปเขาเข้ามาทางตาจากทางตามันก็ส่งมาที่ใจพอส่งมาที่ใจใจก็ก็ใช้สัญญาแปลแปลความหมายของรูปที่เห็นว่าเป็นรูปชนิดไหนดีหรือไม่ดีถ้าเป็นรูปดีก็สุขถ้าเป็นรูปไม่ดีก็ทุกข์ก็ ก็จะสั่งให้ไปหาแต่รูปดีๆเพื่อจะได้เกิดสุขเวทนาขึ้นมาพอเกิดสุขเวทนาก็เกิดความอยากที่จะให้รูปนั้นอยู่กับเราไป น, นานรูปที่เราชอบรูปที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินมันก็จะเกิดตัญหาความอยากขึ้นมาอยากหาแต่รูปดีๆเสียงดีๆเพราะมันผลิตความสุขให้กับเราแล้วพอเราเราได้มาเราก็เกิด อุปทานความยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสที่ดีแล้วพอติดแล้วมันก็ทําให้พาให้เราไปสร้างภาวะคือพบใหม่ขึ้นมาเพราะร่างกายนี้มันในที่สุดมันก็ต้องตายพอตายไปมันก็ต้องไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายันใหม่ไปไปพบใหม่พอไปพบใหม่ไปเกิดใหม่พอไปเกิดก็ได้ร่างกายอันใหม่ แล้วก็ได้ความแก่ความเจ็บความตายต่อไปนี่คือปฏิจจส ม, มุปบาทเพียงแต่แสดงแผนผังของการทํางานของกิเลสวิธีที่เราจะแก้ก็คือเนี่ยเราต้องแก้ที่เอาวิชาคือความไม่รู้ธรรมะนี่อาวิชาแปลว่าความไม่รู้ไม่รู้ธรรมะไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ตายรักต้องมาสอนใจให้เห็นตายรักษณ์ ให้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เราแสวงหาการนี้มันนําไปสู่ความทุกข์นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเราเห็นแล้วว่าการการทําไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเป็นการที่จะทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ยุติอยาจะยุติได้เราก็ต้องมีกํำลังมีเครื่องมือเครื่องมือที่เราจะใช้ยุติก็คือศีลสมาธิปัญญานี่ เราก็ต้องไปปฏิบัติสีนสมาธิปัญญาพอเราได้ปัญญาเราก็จะสามารถพิจารณาตายร่างได้ตลอดเวลากับทุกแยะกับทุกยอย่างกับเรื่องเสียงกลิ่นรสกัดกักบร่างกายกับเวทนากับจิตอารมณ์ต่ตางๆในจิตเนี่ยพิจารณาว่ามันเป็นอันิจงังทุกขงาาังหน้าตาจะได้ถอนความอยากในสิ่งเหล่านี้ให้หมดมาจากใจพอถอนได้หมดแล้วจิตก็ไม่มี ไม่มีอุปทานไม่มีการสร้างภาวะขึ้นมาใหม่ไม่มีความต้องการที่จะได้ดูเสียงกินเล่นต่ อ, ตอไปก็ไม่มีความจํำเป็นที่ต้องไปเกิดใหม่เพื่อไปหาร่างกายอันใหม่อันนี้คือวิธีย้อนสอนเอาย้อนด้วยการตัดตันหาความอยากพอพอเกิดสุขเวทนาก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนานๆ เห็นรูปที่ให้เราความสุขแล้วก็อยากได้รูปนั้นอยู่กับเราไป น, นานๆแต่ไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไป น, นานๆไม่ว่าจะรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ไม่เทียมแล้วตาหูจมูกเนื้องายที่ใช้ดูการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่เทีย่ยิจารณาเราจะได้ตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้พอตัดความอยากได้การจะไปเกิดก็ไม่มันก็ยุติลงตรงนั้น คำถามเจ้าุนอิงอิงครับการดำเนินการพระอาจารย์ค่ะเขาสอบถามถ้าคนที่เห็นวิ ญ, ญญาณตั้งแต่เด็กเกิดจากอะไรคะและควรจะมีแนวทางปฏิบัติสำหรับสอนเด็กคนนั้นว่าอย่างไรดีคะการเห็นวิญญาณนี้มันก็ไม่รู้ว่าเห็นจริงหรือไม่เห็นจริงบางทีมันก็เป็นเรื่องจิตหลอนจิตหลอกตัวเองไปแล้วก็ว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่ไปดังนันก็ สนเขว่าไม่คนที่จะไปสนใจให้เขากลับมาอยู่กับตัวเองอมาดูร่างกายของตนเองมาอยู่กับปัจจุบันมาอยู่กับความจริงสิ่งที่เห็นนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แล้วก็แปลกความหมายาเองว่าเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรอาจจะจริงก็ได้อันนี้ไม่ปฏิเสธถ้าเป็นวิญญาณจริงนี้ต้องสามารถคุยกันได้ ถาสอบถามก็ได้เหมือนพระพุทธเจ้าคุยกับเทวดานแสดงธรรมให้กับเทวดามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับตัวเราเองการที่จะไปเห็นนักการที่จะไปสัมผัสรับรู้กับพวกดวงวิญญาณต่างๆนั้นก็อย่าไปให้ความสําคัญให้กลับเข้ามาอยู่ในในความเป็นจริงของชีวิตเราคืออยู่กับร่างกายของเราอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกายเราจะดีกว่า อากให้ความสำคัญกับสิ่งที่เห็นภายในใจเราเห็นได้เห็นแล้วก็ปล่อยวางสัตว์แต่ว่ารู้ไปคำถามจากคุณสรงวุฒิครับท่านรัศการครับรอาจารย์สอบถามมีการเกิดดับทุกอย่างมีการเกิดดับโลกของเราจะมีการเกิดดับหรือมีวันสิ้นโลกไหมครับในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าได้บัญญัติเรื่องการเกิดดับของโลกหรือว่ามีวันสิ้นโลกไหมครับ ก็ทุกอย่างมันอยู่ภายใต้กฎตายลักอันนี้จะมันก็ต้องสิ้นวันใดวันหนึ่งทำทางนักวิทยาศาสตร์ก็คือต่อไปโลกก็ดวงดาวทั้งหมดก็จะถูกดูดเข้าไปในลラックโแลในที่สุดมันก็จะเกิด i ิ b แบ g ขึ้นมาใหม่ว่ามันดูดเข้าไปในที่รอนเดี๋ยวมันก็ระเบิดสร้างสร้างโลกสร้างสร้างอะไรต่างๆใหม่สร้างดวงดาวสร้างเจนเนออะไรต่างๆขึ้นมาใหม่ นี่เกิดสภาของโลกของของจักรวาลที่เราดูกันมันมีเกิดมีดับทุกอย่างมีเกิดมีดับหมดมีอย่างเดียวที่ไม่เกิดไม่ดับรือสิ่งที่มีอยู่ตลาดเวลาก็คือธาตุทั้งหกธาตุทั้งหกก็คือธาตุดินธาตุน้าานำธาตุลมธาตุไฟแล้วธาตรู้แล้วก็อวกาศสัทธาที่มัน มีการรวมตัวกันแล้วมีการแยกตัวกันการรวมตัวกันก็เหมือนกับการถูกดูดเข้าไปในหลุมดำอะไรทำนองนี้แล้วพอมันรวมตัวกันแน่น น, น่ะเดี๋ยวมันก็ระเบิดออกมาใหม่แยกตัวกันออกมาใหม่มาสร้างดวงดาวดวงอะไรต่างๆใหม่ก็เกิดจากธาตุทั้งสีน่นี้คือินน้าลมไฟวนธาตุรู้ก็เพียงแต่มาเกาะติดกับธาตุสีเวลามีร่างกาย เกิดขึ้นในในใโลกคคำถามจากคุณศักดิส์สิทธิ์ครับนักการครับอาจารย์ผมนับถือศีล้าเคร่งครัดเพราะผมถือเป็นพุทธสมบัติสิ่งเดียวที่ผมสามารถรักษาได้ตลอดแต่หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานบังคับกินเหล้าก็ผมควรทำอย่างไรครับต้องบอกเขาเสีว่าผมไม่กินเหล้าผมนับษาศีลห้าเขาอาจจะทึ่งแล้วก็อาจจะเข้าใจ ้็ทำไมเวลาคนอิสรางก็บอกเขาไม่กินหมูทําไมเขาไมยอมเราก็ไม่ไปบังคับเขาให้กินหมูใช่ไหมแล้วก็บอกเขาเถอะผมเป็นชาวพุทธชาวพุทธนี่พระพุทธเจ้าสอนให้รักษาศี่ห้าอย่างเคร่งขันผมก็ต้องการที่จะเป็นชาวพุทธที่เคร่งขันผมก็รักษาสี่ห้าไปเขาบอกตามความเป็นจริงไปเท่านั้นเองถ้าเขาไม่พอใจเขาจะอะไรเราก็เรื่องของเขาพระเจ้าบอกว่าให้เรารักษาธรรมยิ่งกว่ารักษาชีวิต ยิ่งก่าการ ร, กกา ร, รักษาทรัพย์หรือการรักษาอาวัยวะถ้าเป็นชาวพูดที่แท้จริงต้องรักษาธรรมยิ่งกว่าใช้เงินทั้งปวงถ้าจะต้องถูกไล่ออกจากงานก็ยินดีอย่าไปอยู่กับคนไม่ดีเลยอยู่กับคนกินเหล้ากิน ย, ยาทาไมคุณสวัสดิ์ครับพระอาจารย์ผมชอบดูตอนที่พระอาจารย์พูดภาษาอังกฤษพูดเก่งมากเลยครับ มีวิธีไหนพูดอังกฤษได้คล่องแบบพ่ออาจารย์ครับปีทริศไหมครับก็ต้องเรียนนะต้องเรีย น, ต, ย น, นาา ต, ตั้งแต่ป .1 น่ำเข้าเรียนโรงเรียนโรงเรียนนานาชาติต่าง่ป .1 เรียนแต่ภาษาอังกฤษอยู่ถึงประมาณ8ปีแต่เราเรียน12ชั้นไปในใน8ปีเพราะเนื่องจากเวลาที่เราเข้าไปเรียนตอนตอนนั้นเราอายุมากแล้วผ่านการเรียนป .1 มาต้อง22ครั้งแล้วควรจะอยู่ป .3 หรือ 3, ปอ .4 นะ เขาก็เลยให้เราข้ามชั้นไ ป, ไปเรียน12 12ชั้นไปในระยะเวลา8ปีก็เรียนด้วยเป็นภาษาอังกฤษตลอดนะพูดก็ต้องพูดภาษาอังกฤษอยู่ในโรงเรียนถ้าเผลอไปพูดภาษาไทยถ้าครูได้ยินครูก็จะมาปรับได้โดยปรับขัง้งละหนึ่งบาทเด็กๆไม่กล้าพูดภาษาไทยเวลาอยู่ในโรงเรียนต้องพูดแต่ภาษาอังกฤษ จ, จะเพื่อนสนิด้วยกันเป็นวิธีบงังคับให้เราฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวนะ ก็เลยก็เลยได้ภาษาแล้วยังได้ไปต่อที่ต่างประเทศในข่าปีนี่นได้ไปอยู่มันก็เลยได้พูดภาษาอังกฤษแต่ก็ยังพูดไม่ไม่ดีเท่าที่ควรเด็กบางคนที่สมัยนี้ที่ก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์นี่ก็้สึกเขาพูดดีกั่เราเยอะแยะแต่เราก็พอพอพูดคุยกันรู้เรื่องแต่บางครั้งมังค่าวเขาพูดว่าไม่ค่อยชัดบ้างหรือมันไม่ค่อยไม่ค่อยถูกหลักวัตถุกัอะไรต่างๆบ้าง น, นก็ต้องเรียนนี่ต้องเรียนถ้ายุ่มากแล้วก็คงจะสายไปหรือไม่นั่นก็ไปอยู่ที่ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษรับประกรรันได้ไปในหะ้าปีนี้จะพูดได้ถ้าไม่ได้พูดภาษาไทยเลยต้องถูกบงังคับให้พูดแต่ภาษาอังกฤษหรือก็พูดได้ห้าปีก็พูดได้ชัดคำถามจากคุณคิวรี่ครับขออนุญาต กลับยปถามพระอาจารย์ว่าคนที่ทำร้ายร่างกายพ่อแม่ทุกตีพ่อแม่จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมีสติหรือไม่มีสติก็ตามจะเป็นการทำบาปกับพระอรหันต์เสมือนทำให้พระพุทธเจ้าพ่อเลือดได้ไหมคะตายไปจะต้องไปตกในอบายคือนรกขุมลึกที่สุดใช่ไหมคะและจะรอดพ้นจากนรกได้นี้ต้องทำตัวยังไงคะกราบขอบพระคุณอาจารย์พระอาจารย์ค่ะก็อย่าไปทำร้ายพ่อแม่สิพยายามตั้งสติให้ดีเวลาที่เราอยู่ใกล้พ่อแม่เวลาเจอพ่อแม่ เราต้องเตือนเราว่าเรากําลังอยู่กับพระอราหันต์การทาํา ร, า, าร้ายพระอรหันต์หรือทําร้ายพระวจจานี้เป็นบาปกรรมที่หนักที่สุดต้องตั้งสติให้ดีเวลาที่เราเจอพ่อเจอแม่อยู่ใกล้พ่อใกล้แม่แล้วทํำไมคนอื่นเราไม่ทำร้ายล่ะคนอื่นเขาที่ไม่มีไม่มีพระคุณกับเราเรากลับไม่ไปทำร้ายเขาแต่พราะเราอยู่ใกล้คนที่มีพระคุณกับเราเรากลับไปทําร้ายเขาทําไม ท่องคอยแล้วเลิกถึงบุคุณของพ่อแม่อยู่เรื่อยๆว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กําเนิดชีวิตของพวกเรามาถ้าไม่มีพ่อแม่ให้กําเนิดเลี้ยงดูเรามาเราจะโตและอยู่มาได้จนบัดนี้ได้อย่างไรให้คิดอยู่บ่อยๆแล้วเราจะเห็นบุคุณของพ่อแม่แล้วเราก็จะไม่กล้าที่จะไปพูดไปทําอะไรให้เสียหายกับพ่อกับแม่ คำถามจ้คุณบันเจิดครับการธ ร, รมสการพระอาจารย์ที่บอกว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราสำหรับรูปขันพอจะเข้าใจแล้วจากโพสในเพจส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวเราหมายถึงอย่างไรขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำแนวทางด้วยครับคือวิญญาณก็คือการรับรู้รูปเสียงเก็บนดต่างๆมันก็เป็นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งความสามารถอย่างหนึ่งของจิต การคิดปรุงแต่งที่เรากําลังคิดอยู่ในขณะนี้ก็เป็นความคิดความสามารถของจิตอย่างล้วก็การจําได้หมายรู้การรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้เป็นความสามารถของจิตจิตก็เป็นธรรมชาติผู้รู้ไม่มีตัวตนในสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติเหมือนกับเสียงลมพัดนี่ก็ไม่มีตัวตนลมเวลาพัดก็ไม่มี โดยตนไปพัดลมมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยต่างๆนี่ให้เราให้เราเข้าใจว่าเวลาคิดนี้ไม่มีใครคิดมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยของมันเวลาเกิดเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่มีใครไปไปผลิตความสุขความทุกข์มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ บางอย่างก็ควบคุมบังคับไม่ได้บางอย่างก็คว บ, บคุมบังคับได้เป็นพักๆเช่นความคิดเราถ้าเรามีสติเราก็หยุดมันได้เป็นพักๆแต่จะหยุดมันไปตลอดไม่ได้เวทนาบางทีเราก็หยุดมันได้เชนมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นถ้ามันเกิดความทุกข์จากการหิวน้ำเราก็หาน้มามันดื่มได้แต่ดื่มแล้วเดี๋ยวมันก็ทุกข์ถ้าเราไปอยู่ที่ไม่มีน้ำแม่น้ำ ด, ดื่มแล้วก็จะไปหยุดมันไม่ได้ มันเป็นธรรมชาติเหมือนกับดินฟ้าอากาศความหมายคำถามจากคุณก้องครับกล่าวนวัส ก, การพระอาจารย์ครับผมปฏิบัติธรรมมาสักระยะแล้วเกิดความเบื่อชีวิตมากไม่อยากทำงานไม่ค่อยเป็นช่วงๆแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะบวชผมจึงพยายามกลับมาทำสมาธิเพื่อที่จะได้มีกำลังพิจารณาความเบือ่อว่ามันเกิดดับตั้งอยู่ดับไปและจัดการอุปสรรคในชีวิตต่างๆผมปฏิบัติถูกไหมครับ ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชีย้แนะผมด้วยนะครับถูกการจะทำอะไรได้นี้ต้องมีสมาธิสมาธินี้ไม่ใช่สมาธิในการทำงานนนี้นั่นคือสติต้องมีสติก่อนฝึกสติแนละนําสมาธิทาจิตให้สงบให้เป็นอุเบกขาแล้วจิตก็จะเป็นกลางเราสามารถมองความจริงได้เราจะไม่เกิดความเบือหน่ายไม่เกิดความาท้อแทบเบื่อหน่าย ก็จะสามารถที่จะทำหน้าที่ของตนไปการจัดอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้และสามารถนำไปเสี่ยการออกบวชได้ต่อไปคำถามจากคุณแพทครับกราบเรียนถามค่ะคิดถึงความตายของคนรอบข้างและตนเองเมื่อไหร่จิตเศร้าหมองมากท้อทแท้เลยค่ะแถมปฏิบัติภาวนาก็ไม่ก้าวหน้าเลยทำอย่างไรดีครับ นั่นก็เพ า, าว่านี่แหะเป็นนำหน้าของกิเลสกิเลสมันจะไม่ชอบให้เราคิดถึงความจริงพอเราคิดถึงความจริงจิตก็เลยเศร้าหมองจิตเกิดอาการหงุดหงิดหรือว่าไม่ชอบนี่แหละเป็นผลที่เกิดจากการที่จิตของเราไม่มีอุเบกขาถ้าจิตเรา ม, มีอุเบกขาแล้วกิเลสจะไม่มีกําลังที่จะออกมาสร้างความเศร้าหมองให้กับ เราได้เวลาที่เราพิจารณาความตายกันนี่ดังนั้นการที่จะพิจารณาความจริงเกี่ับความตายได้นี้จําเป็นจะต้องผ่านสมาธิก่อนต้องมีอุเบกขาก่อนมีอุเบกขามากก็พิจารณาได้บ่อยได้นานมีอุเบกขาน้อยก็พิจารณาได้ไม่บ่อยไม่นานพอมพอหมดกำลัอุเบกขาอาการเศร้าหมองก็จะเกิดขึ้นเวลาพิจารณาความตาย ก็ต้องหยุดพิจารณาความตายแล้วก็กลับไปนั่งสมาธิเพื่อไปเติมอุเบกขาก่อนพอเตามเสร็จออกมาก็พิจารณาใหม่ต่อไปทําอย่างนี้สลับกันพิจารณาปัญญาพอหมดกําลังอุเบกขาก็กลับไปเข้าไปในสมาธิเติมอุเบกขาใหม่พอเติมเสร็จก็ออกมาพิจารณาใหม่ทําไปอย่างนี้จนทั่งจิตสามารถปล่อยวางสิ่งที่เราพิจารณาได้เราก็ แล้วก็ไม่ต้องพิจารณาอีกต่อไปพอเราไม่ทุกกับสิ่งนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปเจรณาต่อไปคุณทิพวรรณครับขอากราบอาจารย์ค่ะว่าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเกิดเห็นภาพต่างๆในสมาธิเขาเรียกว่าวิปัสสนาใช่ไหมคะแต่หนูไม่เชื่อภาพเหล่านั้นค่ะเขาเรียกว่านิมิตนภาพต่างๆที่ปรากฏในสมาธินี่เรียว่านิมิตนิมิตก็ให้พิจารณาว่ามันไม่เที่ยม แล้วก็มันมิบบางทีมันก็จริงบางทีมันก็ไม่จริงนิมิตบางอย่างก็จริงบางอย่างก็ไม่จริงถ้าเราไม่รู้เราก็อย่าไปสนใจอย่าไปให้ความสําคัญกับมันเพราะการนั่งสมาธินี้ต้องการให้จิตเข้าสู่ความสงบเข้าสู่เบคลาแต่ถ้าไปเจอนิมิตก่อนนี้มันก็ถ้าเราไปสนใจเราก็จะหยุดการภาวนา จ ism, health, Oliver, ิตของเราก็จะไม่สามารถเข้าเข้าสู่ความสมบได้ก็จะติดนิมิตไปที่เก็เรียกว่าคนนั่งสมาธิล้วติดนิมิตก็บอเนี่ยพอนั่งแล้วอยากจะเห็นนิมิตต่างๆเป็นมาเลยไม่เข้าไปในสมาธิจิตเลยไม่มีเวคาไม่สามารถมาพิจารณาตายลักพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายได้ คุณส่งมุตครับนัวาการพระอาจารย์ครับถ้าเราตายไปเราจะไปไหนครับแล้วระบบของนรกสวรรค์เกิดขึ้นได้อย่างไรครับนรกสวรรค์มันเป็นสภาพของจิตใจถ้าเวลาได้ใจเราทุกข์เราเรียกวันนรกเวลาใจมีความสุขเราก็เรียกว่าสวรรค์แล้วความสุขความทุกข์ของใจก็เกิดจากการทําบุญหรือทําบาสนี่เวลาเราทําบุญใจเราจะมีความสุข เวลาทำบาปใจของเราจะมีความทุกข์เนี่ยดังในโลกสวรรค์นี้ไม่ได้เป็นสถานที่แล้วก็ที่อยู่ของใจก็ไม่มีสถานที่ใจเป็นของของว่างเหมือนกับเหมือนกับอากาศอย่างนี้มันไม่มีสถานที่นั้นเวลาเราตายแล้วก็อยู่ที่เดิมเพียงแต่ว่าสาภาพจิตใจของเราก็จะเป็นไปตามอำนาจของบุญของบาปที่เราทําไว้ ถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปมันก็จะทำให้บุญก็จะทำให้ใจเราเป็นความสุขแล้วก็เรียกว่าสวรรค์ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญใจของเราก็จะมีความทุกข์แล้วก็เรียกว่าอบายไม่ได้ไปไหนอยู่ที่เดิมใจของเราไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการเคลื่อนไหวเหมือนร่างกายไม่ได้เปลี่ยนสถานที่จิตก็อยู่ที่เดิม นี่เด่นที่ทำได้ว่าโลกทิพย์แทนเองจากคุณก้องครับการซื้อบริการทางเพศในสมัยปัจจุบันผิดศีลไหมครับกล่าวกับพระคุณครับผิดเพราะว่าการจะมีเพศสัมพันธ์ถูกต้องตามหลักของศีลธรรมนี้ต้องมีกับคู่ครองของตนเช่นสามีหรือภรรยาของตนเทนั้นเพราะการการมีเพศสัมพันธ์นี้ทําเพื่อให้เราอ ไม่ให้เราเป็นเหมือนสุนัข ก, กับพวกง่ายๆถ้าเป็นสุนัขนี่เขาไม่มีครอบครัวเขาไม่มีสามีภรรยาเวลาเขาเกิดอารมณ์ที่ไหนกับใครเขาเจอใครเขาก็เสพเสพความสัมพันธ์เสพไปเพื่อบรร เ, เทาความอารมณ์ไปชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นแต่มันก็ทำให้เป็นเป็นเรื่องที่จะทำให้เราต้องไป ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่สามารถที่จะมีครอบครัวได้เพราะว่าถ้าเรามีครอบครัวเราก็จะไม่ซื่อสัตย์กับภรรยาหรือสามีของเราถ้าเราทําผิดสี่งข้อนี้แล้วเช่นนั้นเราก็จะไม่สามารถสร้างครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุขได้เพราะามนุษย์เรานี้อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่ต้องมีเพื่อนมีคู่ครองมีครอบครัว ชีวิตก็จะได้เป็นปกติสุขด น, นัพุทธศาสนาเลยสอนให้เร า, เาให้มีเพศสัมพันธ์ในครอบครัวในกับผู้ที่เป็นภรรยาและสามีของเราเท่านั้นจากคุณเดชามทร Traveler ครับถ้าขนาดที่นึกถึงความตายแล้วจิตจำได้และรวมเองและรู้ว่าตายแล้วเอาอะไรไปได้หรือไม่ได้ถือว่าพิจารณาความตายผ่านหรือยังครับ ก็ลองพิสูดูเถอะถ้าเราไม่กลัวความตายก็ถือว่าผ่านถ้าเรายังกลัวความตายอยู่เราก็ยังไม่ผ่านจากคุณกันนพัทครับหลักธรรมในการลดอัตราตัวตนตัวกูได้อย่างไรคะก็พระเจ้าสอนให้เราทำเป็นคนที่ต่าต้อยที่สุดเนี่ยเช่นเป็นทำตัวเราเป็นเหมือนแผ่นดินปฐพีที่จะ ใครจะเหยียบย่าก็ได้ใครจะดูถูกดูแคลนก็ได้ใครจะถุยน้ำลายใส่ใครจะลดใครจะปัดสววาใส่ก็ได้นี่คือการลดตักตาตัวตนทำ ต, ตนให้เป็นเหมือนคนรับใช้เป็นเป็นทาสจะถือว่าเราเป็นนูน้นเป็นนี่ไดะจากคุณพัทรรัตน์ภาพรครั บ, ระพพรรบจะทำยังไงให้ดับความโกรธที่เขานินทานได้ครับ ความโกรธที่เกิดจากเขานินทาก็เพราะเราไม่อยากให้เขานินทานั้นเองเราก็ทํอมาล้ความความอยากแม้เขานินทาด้วยการพิจารณาความจริงว่าเราห้ามเขาไม่ได้เราสั่งเขาไม่ได้ว่าไม่ให้เขานินทาเราเพราะอยากจะนินทาเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องมองเขาเหมือนกับเรามองกับฝนกับแดดก็แล้วกันเราห้ามฝนตกไม่ได้เราห้ามแดดออกไม่ได้แต่เราไม่มีความโกรธ กับฝนหรือแดดเราก็ปล่อยให้เขาตกไปปล่อยให้แดดออกไปฉนันใดเราก็ปล่อยให้เขานินทาไปนะห้ามเขาไม่ได้ท่านั้นเองเราก็จะไม่โกรธเราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในสภาพที่ต้องยอมให้เขานินทามันเรายอมให้ฝนตกยอมให้แดดออกเพราะเราไปควบไปห้ามไปสั่งเขาไม่ได้แล้วเราก็จะไม่โกรธต่อไป อุุดมเดชครับช่วงที่เป็นทุกข์กหนักๆคอยฟังไลฟ์ของพระอาจารย์อยู่ตลอดจนปัจจุบันนี้มาบวชเป็นพระนวากะได้เจ็ดวันแล้วครับขอถามพระอาจารย์ว่าเวลาเราเข้าสมาธิเราจะมีวิธีตัดปริโพเทอคือห่วงคนที่บ้านห่วงการงานในอนาคตได้ยังไงบ้างครับก็ถ้าใช้สติได้ก็ใช้สติคือพุโทธโธพุทโธไป <c oughs> อย่าไปคิดถึงคนทําบ้านอยา ได้ใช้ไม่ได้ยังไม่คิดถึงทางคนทางบ้านอยู่ก็คิดว่าเขาก็อยู่ที่บ้านเราก็อยู่ที่วัดเราก็ทําอะไรเขาก็ไม่ได้ไปห่วงเขาก็ไปทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องคิดตามความเป็นจริงเรามาอยู่วัดเพื่อที่จะมาสร้างกําลังใจสร้างจิตให้สงบให้จิตไม่ทุกไม่วุ่นวายต่างๆให้ปล่อยวางดงนั้นเมื่อเราไม่สามารถที่จะไป ไปทําอะไรไดก้ก็ต้องตัดไปตัดไปออกไปจากใจหวงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรถ้าอะไรจะเกิดก็มันก็ต้องเกิดขึ้นที่บ้านตอนนี้ถ้าเราอยู่ที่วัดบ้านจะไฟไหม้เราก็ทําอะไรไม่ได้ตาม น, นี้ห่วงไปก็เสียเวลาเปล่าๆทำให้ใจเราเครียดไปเปล่างนั้นก็ให้เราคิดอย่างนี้ด้วยปัญญาว่ามันไม่อยู่ในวิสัยของเราที่เราจะไปช่วยเขเลือกไปทําอะไรได้ในขณะ น, นี้เราอยู่ตรงนี้ เขาอยู่ตรงนั้นเราจะเกิดขึ้นกับเขาตอนนี้เราก็ไปทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็ใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติพุโทโธพุโทโธไปทุกครั้งที่ห่วงทั้งมากทั้งน้นอยพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้คิดจากคุณแพตตี้ครับขอโอกาสเจ้าขารบกวนพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องปัญญาอบรมสมาธิว่า ม, มีรายละเอียดอย่างไรและควรทาต่อไหนเจ้าคะ ก็เนี่ยพึ่งสอนคนเมื่อกี้ไปใช้ปัญญาทําใจให้ให้หายเครียดหายทุกขดยการคิดถึงคิดถึงความเป็นจริงว่าอะไรจะเกิดก็เกิดและเราไม่อยู่ในฐานะที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงหรือไปห้ามมันได้ก็เรียกว่าเป็นเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่จะเกิดนั้นมันเป็นอนัตตาใช่ไหมมันเป็นมันธรรมชาติเช่นฝนตกแดดออกอายุไมาน้ําท่วมนี้ มันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่เราจะไปห้ามมันได้เราก็ต้องยอมปล่อยมันไปมันจะท่วงก็ต้องให้มันท่วกแผนดินจะถล่มก็ต้องปล่อยให้มันถล่มไปเวลาที่เรากังวลกับเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็พิจารณาว่าอะไรมันจะเกิดกับเรื่องนั้นเราก็ไปทําอะไรไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เมื่อเราพิจารณาแล้วก็ปล่อยว่า พอปล่อยวางเรื่องนั้นได้จิตแล้วก็กลับมาสงบเป็นปกติแต่ยังไม่ถึงขั้นสมาธิแบบเต็มที่แต่สมาธิคือสงบใ น, นระดับปกติให้จิตเรากลับมาไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่วุ่นวายไปกับเรื่องนั้นเรง น, น, นี้เพื่อที่เราจะได้มานั่งสมาธิได้อย่าง ย, า ง, ยางต่อเนื่องมานั่งสมาธิมาดูลมหรือมาพุดโธต่อไปได้ <c oughs> จัคุณสุขทุกอยู่ที่ใจครับฝึกอาณาปานสติจำเป็นต้องหลับตาไหมครับนักสการครับหลับตาได้ก็จะได้ผลดีกว่าลืมตาเพราะการนั่งสมาธินี้เราต้องการดึงจิตออกจากตาหูจมูกนิ้กายนั่นอไม่ต้องการให้จิตไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็ต้องปิดทวารทั้งห้าตาเราก็ต้องปิดส่วนหูนี่เราไม่ต้องไปปิดนเพงแต่ไม่ไปสนใจกับเสียงที่เราได้ยิน ก็พอแต่ถ้าเราเปิดตาเห็นตาแล้จิตมันจะพุ่งออกไปเห็นภาพตา่างๆแล้วมันก็จะคิดปรุงแต่งไปกับภาพที่เห็นทันทีมันก็จะทําให้การนั่งสมาธินี้สงบไม่ได้งั้นถ้าต้องการให้จิตสงบนิ่งหยุดทํางานก็ต้องปิดตาด้วยหลับตาด้วยคําถามจากคุณกระบบน้ำครับเวลาเจอคําว่าลดราคาหรือของถูกใจสติตามมาไม่ทันซื้อไปแล้วควรแก้ไข ย, ยังไงดีเจ้าคะ่ะ ก็ไปจจกคนอื่นเสอยลงโทษตัวเองทุกครั้งที่ซื้อมาโดยที่ไม่มีสติหรือทุ่มมาโดยที่ไม่มีความจําเป็นจะต้องซื้อซื้อมาแล้วก็เอาไปทำบุญทำทานแทนแล้วกันทุกครั้งไปให้คนอื่นเขามีความสุขและ้ลาะตัดสั้นดานของกิเลสเราต่อไปมันก็จะไม่กล้าซื้อพอซื้อมาแล้วเดี๋ย ว, วเราก็เอาไปทําบุญทําทานต่อคุณรัชนีครับ การนวดสการพระอาจารย์ค่ะรบกวนถามว่าแม่แก่แล้วหรูพยายามพาแม่ไปใส่บาตรทุกอาทิตย์หนูทํากับค่าซื้อของด้วยเงินหนูบางอาทิตย์แม่ก็ลืมให้เงินช่วยแม่ก็จะบ่นว่าแม่จะได้บุญไหมลืมให้เงินไปซื้อของครับก็ลืมก็ให้ทีหลังให้ให้ย้อนหลังก็ได้แม่บอกแม่บอกว่าถ้าแม่ไม่ฟักกระเป๋าแม่ก็ไม่ได้บุญเพราะการทำบุญนี้ต้องเป็นเงินของไทยของมันนะฮะ สามารถที่จะให้ย้อนหลังได้สมมติว่าลืมให้วันนี้สายบาปไปแล้วพรุ่งนี้ก็ให้ก็ไก้ท่านนึกไดออนลืมให้เหมือนเัาก็ให้เข้าไปตอนที่เรานึกได้ก็ได้บุญเหมือนกันแต่ต้องให้ต้องเสียสละ ค, <c oughs> คุณจีรศักดิ์ครับผมเคยบอกแม่ว่าให้เลิกนําปลามาทํากับข้าวเพราะมันต้องฆ่าผมพูดบ่อยแล้วมันสร้างความรําคาญใจต่อแม่ผมจะบาปไหมครับ เราพูดไม่บาปหรอกแต่ก็เป็นสร้างความลำคาญให้กับแม่ซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องเราพูดครั้งเดียวก็พอถ้าพ่อแม่เขาไม่ไม่ต้องการจะฟังก็อยา่าไปพูดเพราะว่าเหมือนกับกินยามากเกินไปให้ยามากเกินไปหมอหมอรู้มากเวลาให้ยาแล้วถ้าคนไข้มีปฏิกิริยาก็ต้องหยุดยาฉันได้เวลาเราให้ธรรมะไ บ, บพูด เมื่อให้เขาแล้วเาริ่มมีปฏิกิยาไปในทางไม่ดีเราก็ต้องหยุดไห่ธรรมะนั้นไปคุณแพทย์ครับการเจริญปัญญาจะทําอย่างไรคะออกจากสมาธิแล้วจึงพิจารณาไตรลักษณ์ความตายพิจารณาอย่างไรคะนึกคิดเฉยๆหรือคะก็คิดถึงเรื่องที่เรามีความผูกพันมีความรักมีความหยหวนถ้าเราลักทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองก็พิจารณาว่าไม่เที่ยงนะ ทวันหนึ่งก็จะต้องมีการพพรากจากมันไปหรือพิจารณาร่างกายอย่างเดียวก็ได้ว่าทวันหนึ่งร่างกายนี้จะต้องตายไปพอร่างกายตายไปแล้วขอ ง, งต่างๆที่เรารางเราหวงก็เอาก้เอาติดตัวไปไม่ได้พิจารณาเพื่อให้เราปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆเพราะการยึดติดนี้จะทําให้เราทุกเวลาที่เราต้องสูญเสียมันไป คุณนัทชาครับกลาวในพิธ ก, การเรียนถามอาจารย์เจ้าขาคนเราโดยความจริงแล้วมันไม่มีทุกสิ่งอย่างล้วนมั้งเปล่าแล้วเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะก็เกิดขึ้นมาจากตัณหาความอยากที่มีอยู่ในใจของเราเราไม่มีอะไรแต่เราก็ยังอยากได้นู่นได้นี่อยากมีความสุขจากการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีความสุขจากการได้ลาบยศสรรเสริญอยากมีจากอยากจะมีความสุขจากการไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย มันก็เลยพายให้เรามามีร่างกายกันแล้วก็มาหาราบลเสรรเสริญมาหารูปเสียงกลิ่นรสกันแต่เราหาได้มามากมันหรือน้อยในที่สุดเราก็ต้องทิ้งมันไปเพราะของทุกอย่างที่เราได้มามันเป็นของชั่วคราวแต่เราไม่มีปัญญาเราก็เลยมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีปัญญาแล้วต่อไปเราก็จะไม่มาเกิดอีกต่อไป คุณฟิงเกิลสไตล์ไทยครับกาวอศการพระอาจารย์ครับข อ, อคอธิบายครับว่าสมาธินำปัญญาและปัญญานำสมาธิครับและเราควรปฏิบัติแบบไหนดีครับถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสติตั้งมัน่นคือโดยปกติเนี่ยมันต้องสมาธิก่อนเราถึงจะไปทางปัญญาได้อย่างที่วันนี้เมื่อกี้ได้อธิบายไว้ต้นต้นแต่ในกรณนนีพิเศษในช่วงบางช่วงที่เราจะทาสมาธิ แล้วไม่สามารถใช้สติทำสมาธิได้เพราะจิตมันไปผูกพันอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็ต้องไปพิจารณาเรื่อ ง, งที่เราไปผูกพันว่ามันเป็นตายรักมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้ น, เ ป, น, น, นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ก็เราเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็จะได้ปล่อยวางเรื่องนั้นแล้วทำให้จิตเรากลับมา สู่สภาพปกติสามารถใช้สติจเจริญสมาธิต่อไปได้เน้นโดยปกติแล้วทุกคนจะต้องใช้ต้องไปตามขั้นคือศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาแต่ในบางครั้งในช่วงขณนะที่จเจริญสมาธินี้บางทีไม่สามารถใช้สติทำจิตให้เป็นสมาธิได้ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่ทาให้จิตใจเราวุ่นวายว่าเป็นไตรักร อ, อะไรเห็นว่าเป็นไตรักทำอะไรไม่ได้ ต้องปล่อยให้เเป็นไปอย่างนั้นพอเราปล่อยจิตแล้วก็กลับมาสมุปมาทำสมาธิต่อได้คุณสันแดซ้อนดวงซอนดวงข อ, อดิ <c oughs> เป็นชาวลาวอยู่ที่องค์จิตประจำอ๋อครับครับการเรียนถามพระอาจารย์ว่าจิตตั้งม้านเกิดขึ้นครั้งเดียวหรือว่าเกิดขึ้นได้ทุกครั้งที่นั่งสมาธิใช่ไหมคะ อาาถ้าทําชํานาญมันก็ต้องได้ทุกครั้งถ้ามีสติที่มีกําลังที่ดีสามารถถ้าเข้าสมาธิได้ครั้งหนึ่งแล้วต่อไปมันก็จะเข้าไปได้เรื่อยๆแล้วออกจากสมาธิมาก็ยังสามารถเจริญสติให้ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กําหนดต่อไปได้ คุณทิถิวัตรครับพิจารณาจนเหลือแต่ผู้รู้และพิจารณาผู้รู้นี้และรู้ตัวในจนไม่หลงรู้ตัวในจึงเป็นผู้ที่รู้ที่บริสุทธิ์ถูกไหมครับก็ไม่ทราบว่าพิจารณาไงจนเหลือแต่ผู้รู้เพราะว่าการพิจารณานี้มันไม่ได้พิจารณาให้เหลือแต่ผู้รู้มันพิจารณาเพื่อให้เราปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราไปรับรู้ ไปอยากไปมีความสัมพันธ์กับสิ่ ง, งตา่างๆอันนี้ต่างหากที่เราต้องการพิจารณาเพื่อเราปล่อยวางความอยากต่างๆในสิ่ ง, งตา่างๆนั่นแหะจิตถึงจะเป็นผู้รู้ที่บอยสุดคือรู้ว่าทุกอย่างที่เราพิจารณานี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเรารู้ว่าเป็นทุกข์เราก็ไม่อยากจะได้ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ด้วย พิจารณาเพื่อตัดเพื่อปล่อยวางความสัมพันธ์ต่างๆกับสุขสิ่งทุกอย่างถึงจะทําให้จิตเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์ได้ขึ้นมาคุณนุชาครับกับเรียนพระอาจารย์ผู้ที่มีอุเบกขากับผู้ที่ปล่อยปะละเลยมีความแตกต่างกันอย่างไรครับผู้ที่มีอุเบกขาี่ไม่ปล่อยปะละเลยในในภารกิจต่างๆที่ต้องทอําเช่นยังต้องอาบน้ำก็อาบน้ําอยู่ยังต้อง ดูแลร่างกายก็ดูแลอยู่ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยข้าวก็ไม่กินน้ําก็ไม่อ่ะผมก็ไม่ตัดนวดก็ไม่โกนอะไรทำนองนี้อันนี้ก็ปล่อยปละละเลยแต่พวกที่มีอุเบกขานี่ยอย่าไม่ปล่อยปละละเลยในสิ่งที่จำที่เป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องกระทําจากคุณโพธิยานครับ นมำสก ان ครับหลวงพ่อปฏิบัติแล้วเห็นอารมณ์ต่างๆพอมีสติก็เกิดสมาธิขึ้นมาเป็นอุเบกขาเป็นขณะขณะในปัจจุบันโดยใช้ปัญญาระลึกสอนจิตว่ารูปนามเป็นไตรลักษณ์ทําแบบนี้ไ ป, ไปเล ย, เลยจิตจะเขาก็จะปล่อยวางเองถูกต้องนะครับก็ <S <S ลองทําดูสิถ้าปล่อยวางได้ก็ใช้ได้ถ้าปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางเมตนาได้ปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้ก็ใช้ได้ คุณจิรโชคครับกับด้านราชการครับผมขออ น, นุญาตสอบถามในขณะที่เราขับรถถ้ารถที่เราขับไปชนมแมลงตัวเล็กๆตัวน้อยติดอยู่กระจกหน้ารถหรือบริเวณหน้ารถโดยเราไม่ตั้งใจขับรถชนมแมลงเราจะบาปหรือผิดศีลข้อหนึ่งหรือไม่ครับ <c oughs> ไม่บาป เ, เพราะเราไม่มีเจตนาเราขับรถไปของเราแล้วมแมลงเขาก็เมิดกันมาชนเองอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำบาปไม่ผิดศีลข้อหนึ่ง คุณสวิทโฮมครับเปลี่ยนถามพระอาจารย์คะ่ะเราจะดำเนินชีวิตคารวะตามแนวทางของมรรคมีองค์8ดได้อย่างไรคะขอคำแนะนำอย่างละเอียดเจ้าคะ่ะก็เบื้องต้นกายรักษาสี่ห้าซึ่งเป็นมรรคสามองค์ด้วยกันคือสัมมากรรมโตสัมมาวาจาอ่สาสององค์คือการกระทำและการพูดที่ถูกต้องคือไม่เบียดเบียนพูดไม่ทำร้ายพูดและกามีอาชีพที่ถูกต้อง อาชีพที่ไม่เป็นเบียดเบียนทาร้ายผู้อื่นเช่นเดียวกันอันนี้ก็ขั้นต้นของของการเป็นคาราวานต้องรักษาศีลห้าแล้วก็มีอาชีพเช่นไม่ขายสุราไม่ขายเครื่องดักสัตว์ไม่ขายยาพิษยาที่เราไปฆ่าสัตว์ต่างๆเป็นต้นแล้วก็เราก็มาทำขั้นที่สองก็คือมาฝึกสมาธิมาฝึกสมาธิด้วยการ นั่งสมาธิหัดไหว้พระสวดมนต์ไปชเช้าเย็นไปก่อนเริ่มตน้นแล้วก็ขั้นต่อไปก็ให้ไปศึกษาปัญญาโดยการฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะหรือเข้ามาสนทนาธรรมอย่างตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นขั้นปัญญาเป็นการศึกษาพระธรรมคาสั่งคำสอนของพทุทธเจ้าว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างซึ่งปัญญามันก็มีหลายขั้นเหมือนกันขั้นตน้นขั้ย่างพวกเราก็คือเนี่ยให้เรา รู้ผิดถูกดีชั่วรู้ว่าการทำบาปนี้เป็นเป็นโทษต่อจิตใจทำให้จิตใจเกิดความทุกข์การทำบุญการทำความดีนี้ทำให้จิตใจมีความสุขอันนี้ก็เป็นเป็นการปฏิบัติเบื้องต้นของของผู้ดำเนินการชีวิตของคารววาเมื่อจิตใจมีกำลังมากขึ้นก็อาจจะเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าเป็นศีลแปด แล้วก็จะปฏิบัติสมาธิให้มากกว่าปกติเช่นปกติอาจารย์ปฏิบัติเช้าเย็นก็อาจจะไปอยู่วัดสักคืนหนึ่งไปื้อศีลอยูบสุทิที่วัดแล้วก็ไปฝึกสมาธิแบบทางเทศทางธรรมตลอดเวลาที่อยู่วัดอันนี้ก็เป็นการเพิ่มการปฏิบัติไปตามกำลังของการปฏิบัติของเราคุณกฤษณพลครับการรับราสการเพราะแม่ครัวอาจารย์ครับ การนั่งสมาธิโดยทั่วไปก็มักจะกำหนดลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธเพื่อความสงบต่างจากการเจริญปัญญาให้จิตแจ้งในใจรักษอย่างไรครับใช้การจงใจนึกคิดขึ้นมาพิจารณาหรือไม่ครับต้องมีการจงใจต้องมีความต้องใจต้องบังคับให้พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกับการทํางานเนี่ยเวลาเราทํางานทําบัญชีเราก็ต้องบังคับให้มันคิดแต่เรื่องบัญชีไม่ใช่ไปคิดถึงการไปเที่ยวที่ น, นั่นที่นี่ ตังคับให้มันอยู่กับเรื่องของการทําบัญชีอย่างเดียวอย่างใดการเจริญปัญญาก็ต้องบังคับให้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปเป็นพิจารณาร่างกายก็พิจารณาให้เป็นเรื่องของร่างกายไปอย่างเดียวก่อนพิจารณาร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีตัวตนเพราะมันเป็นมันเป็นธรรมชาติที่ทํามาจากดินน้ำลมไฟท่านั้นเองไม่มีตัวตนในร่างกายนี้ตัวจิตคู้มาครอบครองเป็นผู้หลงไปคิดว่า จิตเป็นร่างกายไปเองนั่นเองอันนี้ก็สอนเพื่อให้ใหเกิดความเข้าใจขึ้นมาเพื่อที่จะได้ปล่อยวางการยึดบ้านถือมั่นในร่างกายแล้วใจก็จะได้ไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายต่อไปอนนการพิจารณาปัญญาต้องพิจารณาทีละเรื่อง <c oughs> คาถามจากคุณธีรันครั บ, บการธรรมสาพระอาจารย์ครับ ทุกเพราะคิดว่าตัวตนเป็นของเราดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าใจว่าเป็นของเราก็จัดเป็นทุกทั้งสิ้นจึงเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ปัญญาละให้ได้ใช่ไหมครับใช่ก็ลองเปรียบเทียบดูสิสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเราทุกไหมรถที่ไม่ใช่เป็นของเราเราทุกไหมแล้วรถที่เราเป็นของเราเราทุกไหมเวลาใครเอาอะไรมากรีดรถของเรานี่ใจเราเป็นไงเป็นถูกกรีดไปด้วยใช่ไหม แต่เวลาเราเห็นคนอื่นขี่ขี่รถของคนอื่นที่เราไม่รู้เสกเดือดร้อนอะไรทัางๆที่ก็เป็นรถเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันราคาเท่ากันแต่ไม่ได้เป็นของเราแล้วมันจะเป็นยังไงเราไม่ทุกข์ใช่ไหมแต่พอมันเป็นของเราปั๊บเราทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากให้มันเสียหายนั่นเองคําอยากของเราเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์แล้วก็เกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเรา พอเวลาเป็นของเราแล้วเราอยากจะให้มันดีอยากจะให้มันอยู่กับเราไปตลอดนั่นเองแต่ถ้าเวลาเป็นของคนอื่นเราไม่เคยคิดว่าจะให้มันดีหรือให้อยู่กับเราไปตลอดเพราะไม่เกี่ยวกับเราคุณเกินีครับการรัฐประการพระอาจารย์ค่ะการพิจารณาเวทนาในขันห้าควรวางการพิจารณาอย่างไรคะการพิจารณาสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องพิจารณามากที่สุดก็คือทุกขเวทนา ก็เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ทางใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งส่วนเวทนาอสองตัวคือสุขเวทนากับไม่สุขไม่ทุกข์เวทนานี้ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่เราอยู่กับมันได้เราอยู่กับความสุขเวทนาได้เราอยู่กับความไม่สุขไม่ทุกข์ได้แต่เรามักจะอยู่กับความทุกข์เขเวทนาของทางร่างกายไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาสอนใจว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้ มันเป็นสิ่งที่เราไปห้ามมันไม่ได้ไปบังคับให้มันไม่มาปรากฏให้เรารับรู้ไม่ได้ดาวที่นี้ก็คือจิตจิตจะต้องรับรู้ทุกเวทนาด้วยเหมือนกับรับรู้สุขเวทนารับรู้ไม่สุขไม่ทุกเวทนาก็พิจารณาว่ามันเป็นตใจรักเวทนาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวทุกเวทนาเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวก็ไปเป็นสุขเวทนาแล้วเดี๋ยวก็ไปเป็นไม่สุขไม่ทุกขเวทนา เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศให้เราพิจารณาอย่างนั้นเราก็อยู่กับมันได้ถ้าเราไม่มีอคติปัญหาคือเรามีอคติต่อทุกขเวทนาเราไม่ต้องการมันเมื่อมันมาก็เลยทําให้เราทุกข์กันเราก็ต้องกําจัดอคตินี้ด้วยการมองความจรงิงว่าเราไปกําจัดทุกขเวทนาไม่ได้มันม า, เ ท, าเท่ากับสุ ข, ขเวทนามันสลับกันมาสลับกันไปเราอยู่กับสุขเวทนาได้แล้วก็หันอยู่กับทุกขเวทนาได้ เพราะมันก็เป็นเวทนาเหมือนกันเป็นความรู้สึกเหมือนกันการที่เราจะอยู่กับมันได้เราก็ต้องมีอุเบกขาด้วยมีปัญญาด้วยสองอย่างนี้ถึงจเราถึงจะอยู่กับทุกขเวทนาได้ <c oughs> คุณวรัตยาครับสชัชชิตปัญญาวิปัสนาปัญญาปาริหาริกปัญญาคืออะไรคะและแตกต่างกันอย่างไรคะอันนี้เราไม่ทราบนะเพราะเราไม่ได้ศึกษาทาง ทำัมพีเท่าไหร่เราเพียงแต่ทราบเกี่ยวกับเรื่องปัญญาสามคือสุจจะมยาปัญญาแล้วก็จิตตามายาปัญญาแล้วก็ภาวนามยปญญาปัญญาส่วนปัญญาสามที่คุณถามมานี่เป็นครั้งแรกที่ ไ, ได้ได้เห็นแล้วไม่รู้จะตบอบยังไงก็ต้องสารภาพว่าไม่รู้ดีกว่าต้องต้องไปลองค้นหาดูเราลองค้นหาในก o เกิลดูก็ดได้ ยีงก็จะมีขับตับผดขึ้นไปคุณนาวินครับเรียนพระอาจารย์การมารมหายไปเจ็ดเดือนแล้วครับผิดปกติไหมครับปฏิบัติมาสามปีกไไ็ไม่ผิดปกติหรอกมันเป็นเรื่องที่เกิดได้ดับได้แต่ว่ามันจะหายไปตลอดหรือเปล่าต่าว่าวิธีที่จะพิสูจน์ว่ามันหายไปตลอดหรือเปล่าก็ลองดูภาพสวยๆงามๆดู ดูภาพที่กระตุ้นอารมณ์ดูว่ามันจะเกิดขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามันเกิดแสดงว่ามันไม่หายจริงมันเป็นเสือซ่อนเล็บอยู่มันเป็นดอกนุ่มอยู่คว่าอำนาจของสติหรือปัญญาที่เราใช้เอยู่คอยคุมมันไว้แต่มันยังไม่หายแล้วก็เมื่อเมื่อเราไปปลุกไปขึ้นมาแนละ้วก็ดูความสามารถว่าเราดับมันได้หรือเปล่าถ้าดับได้ก็ไม่เป็นปัญหาถ้าดับไม่ได้ก็แสดงว่าสติปัญญาของเรายังมีกำลังไม่พอ เราก็เรามันพินจนารณาอัศสวสะให้มากขึ้นต่อไปเนีหน้าปฏิบัติจริงบางทีต้องต้องต้องทดสอบตัวเองทดสอบไป ว, ว่ามันหายไปจริงหรือเปล่าโดยการดูสิ่งที่ไปกระตุ้นมันขึ้นมาเรื่องความโกรธถ้าเราคิดว่าเวลาหายไปจริงเราเราไปหาสิ่งที่มันกระตุ้นความโกรธเราดูว่ามันจะเกิดขึ้นมาหรือไม่เราไปให้คนเขาพูดเรื่องไปทําร้ายเราดูแล้วดูซิว่าเราจะโกรธเขาหรือเปล่า เป็นต้นบางทีต้องพิสูจน์เพราะเพียแต่คิดเฉยๆนี่มันยังไม่แน่มันยังไม่อาจจะเป็นของจริงทีนี้ถ้าเราคิดว่ามันเราไม่มั่นใจเราก็ลองลองลอ ง, ลองดูภาพที่มันกระตุน้นอารมการอารมณ์ขึ้นมาดูว่ามันเกิดขึ้นมาหรือไม่ถ้ามันเกิดขึ้นมาก็สแสดงว่ามันยังมีอยู่แล้วลองดับมันได้หรือไม่ถ้าดับมันได้ก็ไม่มีปัญหา คำ ถ, ถามจะคุณก้องครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับในเรื่องของกฎแห่งกรรมการที่พระเทวทัตจองเวรพระพุทธเจ้านั้นเป็นเพราะในอดีตพระพุทธเจ้าท่านเคยจองเวรพระเทวทัตเช่นเดียวกันมาก่อนไหมครับท่านพระพุทธเจ้าไม่จองเวรแต่พระพุทธเจ้าไปทําสร้างเวรคือไปทําให้พระเทวทัตไม่พอใจก็เลยเกิดความเกลียดชังกันมาตั้งแต่บัด น, นั้นพอพวกฟันชาติไหนก็มีความเกลียดชังต่อกันนะครัน แต่พระบุตรเจา้านี้ทํานไม่ได้เกียดพระบุตรเจ้าท่านมีเมตตาท่านให้อภัยแต่พระเทวท่านนี่ท่านไม่ไม่ยอมให้อภัยคุณต้นอโศกครับกาดน้ำส ก, การเจ้าข่าหนูนั่งสมาธิแล้วเห็นตัวเองเดินออกจากร่างกายเราหนูมองเห็นด้วยตาเนื้อและจิตหนูก็รู้ได้ว่าจิตไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเก็บดอกไม้ไปทะเลไปน้ําตกที่หนูอยากไป แต่ร่างกายหนูปวดหัวมากมหนูไปหาหมอได้ยันอนหลับโดมีกุ้มมากินหนูกินทันทีแต่ไม่หลับขาดปวดหัวมากแต่ตอนเย็นเขาก็กลับมาข่ามาชนร่างกายหนูหนูหายปวดหัวทันทีเลยค่ะเหตุเกิดตอนเช้าถึงเย็นค่ะช่วงนั้นหนูปฏิบัติทุกๆุกวันวันละหลายๆายชั่วโมงหนูเป็นแบบนี้มาสองครั้งแล้วขาดรับราการหนูต้องทายังไงต่อคะหนูไม่มีสติไงหนูปฏิบัติงานไม่มีสติจึงปาก้อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมา ถ้าหนูมีสติคอยคุมจิตอยู่ตลอดเวลามันก็จะไม่มีอาการต่างๆเหล่านี้ปรากฏอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีปฏิบัติสมาธิที่ถูกต้องวิธีปฏิบัติสมาธิที่ต้องมีสติคอยควบคุมใจจะใช้คำบาลีกรรมพุดเทิลก็ได้ในกจะคอยควบคุมบังคับให้จิตอยู่กับร่างกายเื่นยู่มกับกลหมหายใจเขา้าถ้าทำอย่างนี้ได้แนละ้วก็จะไม่มีอาการกต่างๆเหล่านี้ปรากฏขึ้นมา อาการกต่างๆนี้เกิดจากจิตปรุงแต่งขึ้นมาเองคุณที่พ่อวันครับถามว่าพระพรหมชั้นสูงไปสามารถหลุดพ้นจากเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมคะคำว่าพรมคือไม่มีกิเลสต่อเกิดขึ้นมาไม่ใช่หรอกคำว่าพรมนี่คือจิตที่ได้ฌานรูปฌปานหรืออารูปฌานดังนั้นการได้ถ้าได้ได้ฌานจากการใช้ปัญญาเช่นกัน เพ่งดูลมหายใจเขาออกหรือเพ่งดูอารมณ์ต่างๆภายในจิตนอันนี้เป็นของชั่วคราวคือสตินี้มันเป็นของชั่วคราวพอกำลังของสติอ่อนลงจิตที่ถูกกดด้วยสติก็จะถูกกิเลสดันขึ้นมาดันให้ให้ออกมาไปสู่พบที่ต่างกว่ารือพบของเทพและพบของมนุษย์ตามลำดับต่อไป แต่ถ้าผู้ที่ได้ได้พรบัตรดับพรบด้วยการเจริณาสุภะคือการตัดการอารมณ์ได้ทั้งหมดนี้จะไม่เสื่อมลงมาเพราะว่ามันเป็นปัญญาปัญญาที่จะคุมกิเลสไม่ให้ดึงจิตให้ลงต่ำอีกต่อไปเพราะกิเลสที่จะดึงต่ำคือการการมาตัญหานี่ถูกกาจัดอย่างสิ้นเชิงนั่นเองคนนั้นก็จะพุ่งต่อไปสู่ระดับที่ สุดท้ายขั้นสุดท้ายคือขั้นของพระอรหันต์โดยการปฏิบัติเจริญปัญญาเพื่สังโยช ท, ที่ยังเหลืออยู่ภายในจิตให้หมดไปพอหมดแล้วจิตก็จะเข้าสู่พระนิพพานได้ฉะนั้นถ้าขึ้นไปสวญญปรรค์ชั้นพรหมด้วยปัญญานี้ก็จะก็จะเจริญต่อไปจนเป็นขั้นพาาระอรหันต์ถึงจะถึงจะไม่มีกิเลส ข, ขั้นพรหมนี้ยังมีกิเลสอยู่คือยังมีสังโยชน์อยู่ห้าตัวด้วยกันที่ยังต้องขับจัด ปัญญคุณสุกตาตาครับจากอาทิตย์ที่แล้วหนูได้เข้าไปอ่านประวัติพระอาจารย์ในเว็บไซต์ที่พระอาจารย์บอกหนูขออนุญาตถามค่ะว่าจากแรกๆที่พ่อของพระอาจารย์ไม่โอเคกับการบวชของพระอาจารย์อยากทราบว่าสุดท้ายแล้วพ่อของพระอาจารย์ท่านเข้าใจไหมคะเข้าใจก็หลังจากบวชก็มาเยี่ยมท่านมาพบท่านท่านก็แฮปปี้ท่านก็ไม่มีอะไรแต่ว่าความความคิดของท่านก็เทอท่านก็อยาก ท่าคิดว่าการบวช น, นี่คือทําไม่นุ่นเรื่องของการบวชในทางพุทธศาสนาท่านคิดว่าเป็นที่ไปสําหรับคนที่ไม่มีไม่มีทางไปแล้วไม่สามารถที่จะทําหากินเลี้ยงตัวเองได้ก็เลยไปอาศัยศาสนาอยู่ไปเหมือนเหมือนก็ไปไปเกาะศาสนากินอย่างนั้นซึ่งท่านก็ไม่เห็นด้วยเพราะไม่อยากให้ใ ห, ให้ให้ลูกไปเป็นอย่างนั้นเพราะอุตส่า์ไปเรียนหนังสือมาถ้าเป็นถ้าตายน่าจะสามารถ ทำงานทำการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตนเองได้ไม่ต้องไปบวชเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้างตนเองแต่เมื่อท่านเห็นว่าเราบวชแล้วเรามีความสุขเวลาเจอท่านท่านก็ไม่ว่าเลยท่านก็ยินดีถ้าไม่ได้ห้ามแต่ว่าท่านไม่ท่านไม่เข้าใจแล้วท่านก็เสียใจนั่นเองเพราะท่านไม่ได้รู้ว่าการบวชนี่เป็นการกระทําที่สูงสุดของมนุษย์ที่มนุษย์ควรกระทํากัน คุณพารัตครับเมื่อเจอปัญหาที่รุมเร้ามากมายต้องใช้ปัญญาแก้ปัญหาอย่างไรถึงผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้ครับก็้นไปชนะว่าปัญหามันก็เป็นของไม่ทีย่ยงแล้วก็เป็นสิ่งที่บางทีเราก็แก้ได้บางทีเราก็แก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้มปล่อยให้มันแก้ขอ ง, ของมันเองแต่เราไม่ยอมรับกับสภาพของปัญหาเพราะว่าเราอาจจะต้องถูกลงโทษจากกัรที่เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แต่ถ้าเรายอมรับโทษจากการที่เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เดี๋ยว ป, ปัญหามันก็ผ่านเองเช่นสมมติว่าเรามีหนี้สินนกดุงดำนี้แล้วเราแก้ไม่ได้ถ้าเรายอมรับสภาพอย่างมากก็ถูกยึดทรัพย์อย่างมากก็ถู ก, ถ, ก, ถ, กถูกแจ้งเป็นคนหมดสภาพทางการเงินการทองอันนี้พอยอมรับปัสภาพได้ปัญหามันก็หมดไป ปัญหาที่มันไม่บมดว่ายอมไม่ยอมรับกับสภาพไม่ยอมรับกับความจริงนั่นเองมันก็เลยยังเป็นค่าปัญหาคาลาคาซัมอยู่แต่ถ้าเรายอมรับกับกับกับผลที่จะเกิดขึ้นกับเราจากปัญหาต่างๆได้มันปัญหามันก็หมดไปคุณกฤษณาทาศัศน์ครับกาบธรรมวัฒการพระอาจารย์ครับตอนนี้กระผมฝึกอยู่กับรู้ให้รู้เป็นอัตโนมัติให้รู้รู้เองแบบอิสระ ถ้าฝึกรู้ให้มีกำลังจนเขารู้เองได้วางอารมณ์ให้เป็นอุเบกขาแบบที่เราก็ไม่ต้องเข้าไปช่วยทำอะไรฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆจะจบไหมครับคิดว่าไม่จบหรอกเพราะการรู้เฉยๆนี้ยังไม่สามารถที่จะไปละ ก, กิเลสตัณหาได้ต้องรู้ด้วยปัญญารู้รู้ตายรับถึงจะสามารถไปละตัณหาความอยากต่างๆได้การรู้เฉยๆนี่เป็นเพียงการฝึกสติเท่านั้นเอง ให้จิตรู้ไม่ให้จิตคิดปูแต่งแต่เวลาเผลอได้มากิเลสมันก็จะโผลขึ้นมาแล้วก็สร้างความทุกข์สร้างความอยากต่างๆให้กับจิตใจได้จังต้องมีปัญญาถึงจะสามารถกำจัดกิเลสได้อย่างแท้จริงอย่างท้าวรคุณอุคับกับเรียนถามพระอาจารย์ค่พะพระโสดาบันเมื่อมีลูกจะรักลูกตัวเองมากกว่าลูกคนอื่ น, นเหมือนปุถุชนคนธรรมดาไหมคะ ไม่หรอกเพราะว่าจะรู้ว่าก็เป็นคนเหมือนกันเป็นตายรับเหมือนกันเป็นอนุจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันแต่ก็มีความรับผิดชอบไม่เหมือนกันหน้าที่ของตนเมื่อเป็นพ่อแม่ก็ต้องมีความรับผิดชอบดึงลูกของตนแต่ถ้าจะเป็นมีลูกของคนอื่นเขาต้องการความช่วยเหลือให้ช่วยเหลือถ้าช่วยเหลือได้ก็จะเอามาเลี้ยงเป็นบุทุนทรรมก็ได้ คุณและบิดครับก า, ก, การนวัตกรรมพระอาจารย์ค่ะขอคําแนะนําการทําสมาธิที่ช่วยการ น, นอนไม่หลับให้หลับง่ายค่ะสาธุค่ะเวลานอนก็ดูลมหายใจเข้าออกไปอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวก็หลับเองพอไม่คิดปป๊บเดียวมันก็หลับที่มันนอนไม่หลับเพราะมันคิดอยู่เรื่อยๆนี่ต้องควบบังคับให้มันดูลมหายใจเข้าออกไปหรือบังคับให้มันทำพุโทโธวุทโธไปเพียงอย่างเดียว ถ้าเดี๋ยวความมันลืมเรื่องที่ทําให้เราไม่ไม่หลับไปได้จิตมันก็จะมันก็จะหลับไปคุณพีรักครับกราบเรียนถามครับเวลานั่งสมาธิที่บ้านรู้สึกสงบดีแต่พอเวลาไปทํางานผมนั่งทําสมาธิบนรถโดยสารทุกวันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสงบชอบเผลอไปคิดเรื่องต่างๆตลอดพยายามแต่เผลอตลอดอยากสอบถามท่านว่าเกี่ยวกับสถานที่ไหมครับ เกี่ยวเพราะว่าสถานที่ที่สงบกับไม่สงบนี่มันมีผลต่อการปฏิบัติถ้านั่งอยู่ในรถ ย, ย น, น, ย น, ยนต์เราก็ได้ยินเสียงต่างๆไม่ด้ยินเสียงคนเสียงคนพูดเสียงนั่นเสียงนี่เสียงรถอะไรต่างๆมันก็จะมาเป็นตัวคอยขัดขวางการทําใจของเราให้สงบนั่นเองแต่เวลาเราอยู่ที่บ้านนี้เสีย ง, งต่างๆอันนี้อาจจะมีน้อยกว่าและไม่มีเลยก็ได้เพรานก็ทําให้จิตเราเข้าสู่ความสงบได้ง่ายกว่า คุณรัชยาครับมีสองคำถามกับอาจารย์การนมัสการครับขอโอกาสเรียนถามเรื่องการปฏิบัติขั้นตอนการบรรลุธรรมจําเป็นต้องผ่านรูปปัจจานและอรูปฌานไหมคะคือต้องมีต้องผ่านรูปปัจจาน4ี่ก่อนคันเข้าเข้าสู่รูปปัจจาน4ี่ให้ได้เพื่อจะได้มีอุเบกขาที่จะมาใช้ในการเจริญปัญญาต่อไปเพราะจิตที่ไม่มีอุเบกขานี้จะไม่สามารถเจริญปัญญา ได้ก็จะเกิดดีอารมณ์ที่ที่มาขัดขวางใช้อารมณ์เศร้าหมองหรืออารมณ์หวาดกลัวบางคนคิดถึงความตายแล้วก็จะหวาดกลัวไม่กล้าคิดก็ไม่สามารถพิจารณาความจริงให้บนฟังอยู่ในจิตได้จิงจะเป็นจะต้องฝึกสมาธิในขั้นรูปฌปานสี่ก่อนแต่ไม่ต้องไปถึงขั้นอรูปฌานรูปฌปานปปสี่นี้ก็พอเพองต่อการ มาใช้กับการเจรจาปัญญาต่อไปคําถามที่สองพระอาจารย์ตอบแล้วนะครับรูปประชานกับชานสี่เหมือนกันไหมคะขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยค่ะรูปประชานก็มีอยู่สี่พันชานที่หนึ่งชานสองชานสามชานสี่ฉนั้นรูปประชานก็คือตั้งแต่ชานห้าที่ห้าขึ้นไปชานห้าชานหกชานเจ็ดชานแปดแต่เขาไม่เรียกชานห้าหกเจ็ดแปดเขาจะเรียกว่ารูปประชานหนึ่งและรูปประชานสอง คุณโอเปลครับกรรมนัสการป ร, ระอาจารย์เจ้าข้าขอเรียนสอบถามเวลาที่เรามีสติกับคําพูดโธรบ่อยๆเมื่อมีความคิดผุดขึ้นมาทําไมพูดโธถึงผุดขึ้นแทนที่ความคิดนั้นคะก็เป็นนิสัยขึ้นมาเอมันมีความคิดขึ้นมาพูดโธก็เกิดมาสกัดข้ทันทีมันก็เราฝึกเจิตให้มันมีมีภูมิคุ้มกันเหมือนเหมือนไวนรัสอย่าง้เหมือนฉีดวัคซีนเข้าไปเพื่อกรตุ้นให้มันมาทําหน้าที่ เวลามีไวรัสเข้ามาปุบคุ้มกันมันก็จะขึ้นมาทันทีถ้าเรามันท่อพุทโธพุทโธอย่างนต่อไปมันก็จะมันก็จะปุกฟังจิตให้มันมีมีพุทโธขึ้นมาต้านความคิดเวลาเกิดความคิดขึ้นมาคุณแสงวันครั บ, ก า, บรการรมศักดิ์การค่พระอาจารย์เมื่อตอนเด็กเคยเห็นพี่สาวเขาโดนแม่ตีแล้วรู้สึกแล้ว ส, สู้กัน เขาบาปไหมคะแต่เราก็ดูเฉยเฉไม่ได้ห้ามเราบาปไหมคะยังเด็กอยู่คะ่ะนรัสการพระอาจารย์ครับถ้าผู้ใหญ่พ่อแม่ตีเรานี่ก็เป็นการตีเพื่อสั่งสอนเราในการที่เราจะไปต่อสู้หรือไปทําร้ายพ่อแม่นี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําที่บาปแต่อาจจะไม่บาปถึงขัง้นบาปฆ่ากันอย่าไปทําร้ายพ่อแม่อย่ามากก็ควรจะหนีไปดีกว่า ถ้าไม่ต้องการให้เขาทุบตีเราหนีได้แต่อย่าไปสู้อย่าไปต่อสู้กับพ่อกับแม่เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องถึงแม่พ่อแม่อาจจะไม่ดีพ่อแม่อาจจะเมาหรืออจะอะไรแล้วทําไปด้วยอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องเราก็ไม่ควรที่จะไปตอบโต้พ่อแม่ควรที่จะหนีไปดีกว่า คุณทานครับขอโอกาสครับการบวชเป็นพระพิสูจน์สองหากปฏิบัติดีเป็นเหตุให้ได้ไปสวรรค์นิพพานหากปฏิบัติไม่ดีเป็นพระทุศีลทั้งที่ตั้งใจไม่ตั้งใจหรือปฏิบัติผิดตามพระรุ่นพี่ในวัดสอนผิ ด, ผ, ดผิดกันมาแบบนี้จะเป็นเหตุให้ไปนรกแบบ Highway to h เ l l ง่ายกว่าคารวะหรือไม่ครับเหมือนก็เท่ากันถ้าทําบาปเหมือนกันมนก็ไปไปนรกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวา คุณแฟมครับการางท่านสักกรรมถามพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิแล้วเกิดเวทนาเจ็บมากจนไม่มีสมาธิอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเกิดดีเลดขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาอยากจะหนีจากความเจ็บไปเนือเกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็เลยทําให้ม า, ารบกวนสมาธิของเราดังนันถ้าเราอยากจะให้มีสมาธิแต่เราต้องพยายามบริกรรมพุทโธพุทโธไป ถึงแม้มันจะไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีความอยากจะนั่งหรือความอยากจะให้ความเจ็บหายไปถ้าเราต้องการที่จะผ่านขั้นนี้ไปได้เราก็ต้องบังคับให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปให้ได้คุณฝองแปงครับฐานที่ตั้งของจิตยอยู่ตรงไหนครับกับวิธีการกําหนดตัวรู้ทําอย่างไรครับฐานที่ตั้งของจิตก็อยู่ที่รูเบงขานี่ยเราต้องฝึกสติ เพื่อยึดความคิดให้จิตรวมลงเข้าสู่สมาธิให้ได้เราจะเราถึงจะเข้าถึงฐานของจิตได้ถ้าเรายังไม่รวมจิตยังไม่เข้าสู่อัปปนาสมาธิหรือเข้าสู่ฌานสี่อีก็ยังจะเข้าไม่ถึงฐานของตนเองคุณสุรางครับการติถามพระอาจารย์ค่ะฟันเห็นเพื่อนสนิทมานั่งข้างเตียงไม่มีศีรษะ กลัวและตกใจมากเพราะปกติจะไม่เคยฝันร้ายเลยจะเป็นจริงไหมคะมีวิธีแก้อย่างไรคะก็ลองลองลองดูเหตุการณ์ว่ามันจะสิ่งที่เราฝันกับความจริงมันมันตรงกันไหมบางทีก็ตรงกันบางทีก็ไม่ตรงกันแล้เราก็ยังไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้ว่าจริงหรือไม่จริงจังกว่าเราจะเห็นความจริงถ้าไม่เห็นความจริงถ้าเจอเพื่อนสนิทยังมีศีสษนอยู่ก็แสดงว่ามันเป็นความ ไม่ไม่เป็นความจริงแต่ถ้าเกิดไปเห็นเพื่อนเสนิทตายไปรถศีสาขาดมันเป็นความจริงก็แสดงว่าเรามีตาที่เรารู้เหตุการณ์ลงหน้าได้อาจจะรู้ได้ทุกครั้งรู้ไม่เราก็ต้องพิสูจน์ต่อไปอีกด้วยเพราะบางทีมันา จ, จะรู้เป็นาบางครังบางคาบางคั้งบางคาจะรู้รู้แล้วไม่ตรงกับความจริงก็ได้เพื่อความไม่ประมาทจะ่เพิ่งไปหมาว่าเรามีตาทิย์ทุกครั้งที่เราเห็นอะไรในฝันมันจะเป็นอย่างนั้นเสมอไป เราก็ต้องแบบว่าคอยทดสอบคอยทดลองดูคอยคาดดูดูไว้เขาเรียกวเวลาได้ยินอะไรก็ให้ฟังหูไว้หูกันเวลาเห็นอะไรก็ให้ให้เห็นไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งไปสรุปว่ามันจะเป็นจริงจนกว่าเราจะสามารถพิสูจน์มันได้คําถามจากคุณทาพาครับเมื่อก่อนเคยหมดความศรัทธาในพระสงฆ์เพราะเคยมีพระที่โยมนักรสนับถือพอ พอต่อมาพบ ว, ว่าไม่ใช่อย่างที่คิดโยมจึงแทบจะไม่ทําบุญกับพระอีกเลยจนบังเอิญได้ฟังธรรมของพระอาจารย์ความคิดที่ว่าพระปฏิบัติ ด, ดีจริงๆยังคงมีทําให้เริ่มมีความศรัทธาแบบนี้เรียกว่าโยมยึดติดในตัวบุคคลมากกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะไม่หรอกเพราะว่ามันเป็นการยืนยันว่าคํำสอนพระพุทธเจ้านี่เป็นความจริงพระปฏิบัติดี ป, ปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนานี่ยังมีอยู่ เพียงแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้พบเห็นเพราะส่วนใหญ่พระที่เราพบเห็นกันนั้นท่านไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเองเพราะพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่ญญวนให ญ, ญ่ท่านยังไม่อยู่ในบ้านในเมืองท่านจะไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามชมนบทอยู่ที่หา่างไกลจากความเจริญเพราะสถานที่เหล่านั้นเป็นที่เพาะปลูกพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองดังนั้นนานๆท่าก็า จ, จะ มีโอกาสได้เข้ามาในบ้านในเมืองแล้วมีโอกาสได้สนทนาหรือแสดงธรรมให้กับลับพวกเราได้ยินได้ฟังพวามเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาอันนี้ไม่ถือว่ายึดติดในตัวบุคคลแต่คุณปฏิพัติครับเรียนถามพระอาจารย์ครับตายแล้วศูนย์หรือไม่ศูนย์มีอะไรยืนยันครับก็การปฏิบัติธรรมของเราเนีนะ่ยจะเป็นตัวยืนยัน ในเบื้ อ, ตองต้นก็มีคำสอนของพระพุทธเจ้ามายืนยันกีับมุมงลักว่าเวลาตายไปแล้วตายเพียงแต่ร่างกายแต่จิตนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตนี้ก็จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปอันนี้เป็นความจริงที่พระเจ้าทรงตรัสถ้าเราอยากจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงเราก็ต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็จะรู้ว่าจริงหรือไม่จริง คุณสุน anda ครับก า, ก, การนักวิสการพระอาจารย์เรียนถามสมาธิเราสามารถทําได้ทุกขณะไหมคะเช่นนอนนั่งเดินได้คือการทําสมาธินี้ทําได้ในทั้งสี่เรียบทเดินยืนนั่ง น, นอนทําได้แต่ถ้านอนนี้ถ้าไม่จําเป็นจริงๆไม่ควรจะทําเพราะมันจะทําให้หลับง่ายๆนั่นควรจะทําเลยท่ายืนถ้านั่งท่าเดินแต่ถ้าเรา เก็บค่ายได้ป่วยต้องนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ใช้ท่านอนนี้เป็นการทำสมาธิได้ก็คือการใช้สติดูลมหายใจเข้าออกืใช้คำบริกรรมพุโทโธเพื่อทำใจให้สงบได้เหมือนกันอาจารย์อีกสักสองคำถามนะครับแต่คุณศิรินภาครับหากจเจริญภาวนาจนทำลายสังโยชน์ได้เป็นอริยบุคคลแต่ไม่ออกบวชจะเป็นอยู่อย่างโลกคองเรือนอย่างไรให้สอดรับกับธรรมชาติภายในเจ้าคะ ก็จะอยู่แบบนักบวชส่วนใหญ่ก็จะอยู่คนเดียวแต่ส่วนใหญ่มักจะไปบวชกันมากกว่าในสมัยพระพุธกาลนี่ผู้ที่เป็นคาลวา่าควรได้บรรลุเป็นพรนนะแล้วก็จะขอพระพุทธเจ้าไปอยู่กับพระพุทธเจ้าดีกว่าไปอยู่กับคนกลุ่มเดียวกันนีกว่าเพราะมันเป็นเหมือนกายกายกายพันุ์ไปแนละ้วจากจากแพะกลายเป็นแก่ไปแนละ้วจะไปอยู่กับพวกแกะต่อไปไม่อยู่ไม่ได้เพก็พฤติกรรมไม่เหมือนกัน ฆราวาสเขาก็ต้องเสกกรรมฆราวาสก็ต้องสัตย์แสวงหาลาภยศและเสริญสุขแต่พระอริยนี่ท่านไม่เสกการมท่านไม่สวงหาลาภยศและเสริญสุขก็ท่านก็จะไม่ไม่อยู่ร่วมกันเพรอยู่ร่วมกันมันก็จะขัดกันอยู่ร่วมกันไม่ได้แบบน้ำกับน้ำมันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันต้องแยกตัวออกจากกันทำทับสุไท้ายครับอาจารย์ครับ แต่คุณก้องครับกลับเรียนถามพระอาจารย์หากจิตยังไม่สงบปัญญาอบรมสมาธิสามารถใช้ตอนนั่งสมาธิเดินจงกรมได้ไหมครับกลับอล่าวพูดอย่างสูงครับได้เวลาเรามีปัญหากับใครกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าเราใช้ปัญญาตัดมันได้ก็ก็ใช้ได้เราต้องตัดมันเรื่องนั้นไปอย่าให้มันข้างางอยู่ในใจของเราโดยการเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์ ครับอาจารย์ครับอาจารย์เมื่อตอนหมดแล้วครับเมื่อตอนต้นรายการผมต้องกราบขอบอภัยอาจารย์ด้วยนะครับมันอาจจะเพราะคลืนมือถือมันส่งไปไม่ได้ทุกช่องทางครับวันนี้ทาง f เฟซบุ๊กอาจารย์ก็ไม่มีปัญหาเลยต้องบอกว่าวันนี้มีคนฟังทำด้วยการจาก facebook 6ร้สาสิบเคนใน youtube 74ริบสี่คนในครับเฮ้าส์สคนนะครับรวม1นึ่พันสามร้ดคนครับอาจารย์ครับ ก็ยังไม่ลดตรงไปนะแสดงว่าเ ข, าาข้ามาทันเข้ามาทีหลังได้เบื้องต้นอาจจะปวดขามนิดหน่อยแต่ก็ยินดีที่มีผู้สนใจยินดีในธรรมเพราะไม่มีอะไรในเรื่องนี้ที่จะดีเท่ากับธรรมของพระม迦เจ้าลนแ่งธรรมชนะลถทั้งปวงถ้าได้สัมผัสกับลดแ่งธรรมเพียงครั้งเดียวแล้วจะยินดีจะติดใจใช่จะไม่สนใจกับวลดยังอีกต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฝังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทามยิ่งยิ่งขึ้นไปเธิขอราคุณหมอและลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกในวันอาทิตย์หน้าคุณไปซะก่อนนะ คุณหมอไปก่อนนะแล้วก็ขอไปแล้วนะคุณหมอครับอาจารย์ครับ